อทีเดียวนะมากทีเดียวเกิด ค, ความรู้สึกตัวอไปในกายของเราอในเยอหยื่อบดที่เราเดินเราเดินเรานั่งเรานอนมันก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่มันเป็นเป็นไปเองเนี่ยโดยโดยธรรมชาติที่เราไม่ต้องไปอกําหนด มันต้องไปกำหนดมันก็รู้เองนะรู้เองเกิดขึ้นเองก่อนที่เราจะเดินจะก้าวจะยกมือก่อนที่เราจะพูดเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกตัวโดยการเป็นเองเนี่ยอก็เลยทําให้เราเกิ ด, เ ก, ดเกิดพลังเกิดพลังเกิดกําลังใจต่อการปฏิบัตินะว่า ครูบาอาจารย์ที่เป็นคุบาจารย์ใหญ่ๆนะครับา็ทำได้เราก็ต้องทําได้นั้นความคิดนี้ก็เลยทำให้เรามีความมีกําลังใจมีกําลังใจต่อการปฏิบัตินนั้นก็ทําให้เราอยู่ อ, อยู่ได้นะยังจากที่เราเ ค, คนะเคยคิดจะสึกนะเคยคิดจะสึกในช่วงปฏิบัติใหม่ ความคิดนี้ก็ก็หยุดไปก็หายไปเพราะอะไรเพราะทําทให้เราเกิดความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสตินะทําให้เราอยู่กับปัจจุบันนะไม่ต้องไปคิดนะเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรามีสติอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันก็รู้สึกสบายนะความคิด ที่มันเคยคิดมากๆนะคิดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยพอมันคิดขึ้นมาเรามีสติรู้มันก็หยุดไปหยุดไปสั้นลงสั้นลงสั้นลงถึงกว่ามันจะหยุดโดยอัตโนมัติเแค่มคิดขึ้นมาเราดูมีสติดูมันก็หยุดหายไปคิดขึ้นมาเรามีสติดูมันก็หยุดหายไปมันก็เป็นอย่างนี้ทําให้เรา สบายแล้วก็รักษารักษาตัวเองได้นะก็ทำให้เราตัดสินใจที่จะอยู่ช่วนะงนั้นปฏิบัติอยู่ที่ที่วัดป่าเขาคงคานะนะที่อาจารย์นิ ม, มนต์ท่านอยู่นะสมัยนั้นก็ยังไม่นะไม่เจริญไม่มีเซนาสนะอะไรหรอกเดอนนั้นนะก็อย่างที่อาจารย์สมพงษ์ท่านพูดเมื่อคืนนี้ อาจารย์ไมนดันก็สอนกับงานเหมือนกันเก็บอารมณ์เก็บอารมณ์เสร็จปุ๊บแล้ก็ให้เราไปทำกุฏิกุฏิวงจากตากอนยังไม่มีอะไรก็ทำกุฏิก็ไปทำพอเราไดอารมณ์ดีๆเนี่ยทำไมถึงให้เราออกจากกรรมฐานเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเนาะทให้เรา ไม่พอใจเหมือนกันเนี่ทำํำไมเราไม่พอใจก็บาจาเงมืนเอ๊ะทำไมถึงอเรารู้สึกตัวดีๆเนี่ยนทําไมให้ออกจากกรรมาฐานนะฮะเราให้องค์อื่นเข้าไปกับเข้ากรรมาฐานเรามาทํางานเงี้ยเราก็ดูไปอสองรอบสามรอบเออเรากมา็มาเข้าใจว่า าการทํางานกับการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันนะเป็นสิ่งเดียวกันที่เราไม่ต้องมาทําอะไรมากนะแค่เราดูาดูอาการของกายของเราเนี่ยมันเคลื่อนมันไหวมันจับมันเยบิบอสิ่งของอะไรก็ดูมันนะ ม, มีสติดูมีสติ ด, ดูกายมันก็ทำให้เราเกิดความเพลิดนะเพลินนะเพลิดเพลินในการทํางานาไม่รีบเร่ง ไม่ช้าเกินไปก็ทำด้วยความรู้สึกตัว่ที่ปัจจุบันเนี่ยทำไปเรื่อยๆอก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าการที่เราไปนั่งกรรมฐานอย่างเดียวการยกมือทำสติเจริญสติเดินจยงกลมอยู่อย่างเดียวโดยทม่มีสิ่งใดไปกระทบเนี่ยมันจะช้ากว่าผู้ที่ทำงาน ที่เราทำงานออกมากระทบสิ่งแวดล้อมได้ยินคนบนคนดา่าคนว่าอะไรแล้วแต่ทำงานลูกซิ์ทำให้ถูกใจคนนั้นทำให้ถูกใจคนน้นไม่ถูกใจมันก็ได้วกมาดูที่ใจของเราอะไรเกิดขึ้นมาดูที่ใจนะดูอาการของใจมังเกิดขึ้นก็ทำให้เราไม่พอใจเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วก็มาดูที่ใจของเรารเขาทำให้เราอยู่ อยู่แบบสบายๆไม่ต้องไปรีบเร่งอะไรเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เราไปรีบเร่งเป็นสิ่งที่เราต้องมาดูที่กายดูกายเห็นใจเห็นใจเราเพราะนั้นเบื้องต้นกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านได้บอกได้สอนได้แนะนำเนี่ยท่านจะให้เราดูกายเป็นหลัก อย่าเพิ่งไปดูใจเพราะกายเนี่ยมันหยาบที่สุดแล้วกายยบกายเคลื่อนกายไหวกายไปกายมาเนี่ยหยาบที่สุดแล้วนะเราดูกายหยาบหยาบนี่แหละถ้าเราดูกายหยาบเห็นเข้าใจแล้วมันก็จะไปรู้เห็นสิ่งผายในก็คือจิตของเราเองโดยธรรมชาติถ้าเราไปดูใจ เวลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไม่มีที่พึ่งนะเราจะไปอยู่กับความคิดนะเป็นหลักคิดเรื่องอะไรขึ้นมาเราก็จะดิ่งออกไปกับมันนะแต่เรามีกายเป็นเป็นฐานมีกายเป็นหลักเนี่ยนะเราก็จะกลับมาอยู่ที่กายอะไรช่างเกิดขึ้นเราก็กลับมาอยู่ที่กายมาก็ตุนมันทาความรู้สึกโดวอยู่ที่กายเนี่ยมันเกิดขึ้น นะ อ, ยอย่าไปเร่งอย่าไปรียบให้รู้สึกธรรมดาก็พอแล้วรู้สึกธรรมชาติธรรมดาแค่นี้ก็พอแล้วอย่าไปอยากได้อย่าไปอยากได้ อ, อยากมีอยากเปลี่ยนอะไรกับมัน อ, อย่าไปรู้ก่อนรู้ อ, อย่าไปเห็นก่อนเห็นนะให้มันรู้แบบซื่อๆธรรมดาเนี่ยรู้ที่ปัจจุบันนะนะเป็นสิ่งที่ง่ายๆ ที่สุดเนาะที่ได้ทำการปฏิบัติเนาะส่วนที่อ่านทางวัดเองก็ก็จัดมาหลายปีแล้วส่วนกรรมฐานที่อ่านทางวัดเทียบประทานก็ได้ลงสายงานมาทุกปีก็เป็นกิจกรรมธรรมดา นะไม่ได้ไปมุ่งเน้นอะไรนะเท่านั้แบบธรรมดามีเท่าไหร่ก็ทำนะไม่ได้เน้นว่าานะต้องมากต้องเด่นต้องดังอะไรมาเพืนะ่อเพื่อให้เกิดนะ้าประโยชนนะ์ประโยชน์สูงสุดนะแก่ญาติโยมที่เนะข้ามาในวัดนะเข้ามาปฏิบัตินะเจริญสตินะนะนะ เพื่อเป็นการเผยแผ่ในในส่วนภาคตะวันออกภาคตะวันออกก็ไม่ไม่มีสำนักที่ะจะเปิดเป็นทางการแตมีมีอยู่บ้างเนาะเป็นบางส่วน อ, อย่างวัดถ้ำเขาจะกันอะไรเงี้ก็ม่มีอยู่บ้างไม่ต้องส่วนแต่ก็จัดจัดภายในไม่ได้จัดลงในสาย คุณพร อ, อาจารย์ก็มาได้ไปช่วยในว่ า, านนเรื่องการแผ่นในเรื่องการเผยแผ่ส่วนน้องพระอาจารย์สมพง์ท่านก็ได้มาอยู่ในวัดท่าแสงเทียนเนาะช่วงบทใหม่ๆก็ได้ส่งท่านไปอยู่ไปปฏิบัติอยู่ที่ทีท่ือะไรนะที่กาะเกาะแมวเนาะเกาะแมวที่จันบุรี หลวงพอมหาทรงกะเปเป็นแม่งานอยู่าการปฏิบัติที่กาะแมวอุทิจันบุรีอันเยมีกลุ่มบกแม่สำรานเป็นผู้จัดทุกวันนี้ก็ไม่ได้จัดนะเพราะว่าเจลาแล้วเก็ดสิบแปดสิบเก้าสิบก็หมดแล้วบางคนก็ตายไปก็มีก็เลยไม่มี ส่วนต่อในในสวนของแหลมสิง์เนาะสำนักแหลมสิงค์วัดธรรมแหลมสิง์ก็เป็นวัดล้างเมื่อปีที่แล้วก็ไปก็เป็นเป็นวัดล้างหลวงพ่อชนตร์ท่านเคยไปอยู่มีพระพิการอยู่รูปหนึ่งเป็นคนฝ้าวัดก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันเนาะที่ทาให้ สำนักปฏิบัติธรรมใช้งานรถเทียนตรงนั้นตรงนั้นไม่มีใครไปอยู่นะเป็นสำนักล้างไปก็จะเลี้ยส่วนที่ของวัดนั่นแหละท่านก็ได้มาปฏิบัติก็เลยเดินตามหลว ง, ลงพ่ อ, อมาหามาเรื่อยๆก็ทำให้รู้สึกยินดีกับท่านเนาะที่ได้มาปฏิบัติธรรม นะเพราะว่าคนบวชก็มีความทุกข์มากนะมีความทุกข์มีปัญหาหลายอย่างนะเหนเราเมายาหลายส่วนนะชนะีวิตนะรู้สึกว่าจะานารันท์ทเหมือนกันและนานสงสารมาเือนกันนะแต่พอได้เข้ามาบวชแล้วมาถูกทางนะมาพบครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ เปลี่ยนเป็นคนละคนไปนะกลายเป็นพรนะสุปฏิปนองผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเป็นกุบาลอาจารย์แล้วก็จะเป็นหลักของวัดร้ำหลักของการปฏิบัตินะในงานใช้างานวัดเทียนรนะูปหนึ่งนะที่จะนะช่วยกันเผยแพยนะ่ด้านการปฏิบัตินะให้เจริญนะมากๆขึ้นไปเนาะ สารบันบนี้ก็คงไม่ได้กล่าวอะไรมากในส่วนของการปฏิบัตินะก็คงจะอาุติแค่นี้นะก็ขออโมทนากับคุณบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมที่ได้มาร่วมกันนะสร้างบุญบารมีด้วยการมาปฏิบัติเจริญสติทำความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้น ก็ขอให้ท่านทั้งหลายผู้ที่มีความเจริญแล้วก็มีความรู้สึกตัวโดยการุกท่านทุกคนเทนก็ไม่ได้บอกให้ชื่อสามัญนามของครูสุเทพธรรมกรณ์เขนเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดเทพทาน จะนเาคะตะบนด้วยวะเป็นธรชาก็เรามีพระสังฆาริการเข้ามาร่วมพระสังฆาริการนี่มีส่วนที่สนอสมนี้สำคัญคื อ, อมีพระใหม่ๆเข้ามาบวชปฏิบัติท่านก็ส่งต่อมาปฏิบัติบางคนก็ปฏิบัติไปได้บางคนก็เป็นไปไม่ได้เพราะคนรุ่นใหม่นี้ส่วนใหญ่ก็เรียกว่าเข้ามาด้วยมีเงื่อนไขมีปัญหามากมาย ไม่ไมาด้วยศรัทธาแต่ถ้าสามารถพลิกเปลี่ยนให้เกิดศรัทธาได้นี่ก็นั่นคือเป็นผลผลิตได้นะฮะทีนี้อีกท่านหนึ่งที่สมบุนโนเป็นเลขาของอัตมานะแล้วเป็นครูห ล, หลายๆอย่างของอัตมาด้วยพระจารั์มงคลนะรันก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างนะแต่ว่าสามารถเอาการเจริญสติที่อ๋อ แก้ไขปัญหาต่างๆในชีวิตส่วนตัวของท่านาแล้วท่านมีวิธีการอย่างไรถ้าท่านจะ อ, อยู่รอดปลอดภัยอย่างไรหรือไม่ถ้าจะเล่าให้ฟังไดรครับข อ, อนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกับขลุะหลวงพ่อผูพินประธานข อ, อนบ <c oughs> ขอโอกาดเพื่อนสาธ ม, มิกทุกรูป จเจริญพรญาติโยมทุกคนนะแต่มาก็มาช้านะมาทีหลังมาช่วงวันพ่อที่ห้า<ม>ก็เหตุที่มาช้าก็มีทุ<ม>ระนิดหน่อยนะ<ม>เขาไปาไปเสวงบุญหรือว่าไปดู <c oughs> สถานที่พระพุทธเจ้าประสูติตสรุปริญพานนะแสดงธรรมที่ประเทศอินเดียก็มาที่สามสิบก็ว่าจะมาที่หนึ่งนั่นแะก็มีเหตุวันที่หนึ่งกลับมาก็ญาติแล้วน้องสาวพ่อไม่สบายนะเป็นมะเร็งตับก็เลยไปดูไปเยี่ยมคนป่วยก่อนะวันที่หนึ่งไปเยี่ยมวันที่สองก็เสียนะ วันที่สามไปสวยก็ได้่สี่ไปเผาวันที่ห้าจึงได้มานะวันที่หนะ้าในวันนี้ที่หกกุมภาพันนี้ก็ได้มาปฏิบัติทั้งเช้ า, านะทั้งบ่ายนะวันนี้ที่เจ็ดก็เลิกแล้วนะพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวเก็บของวันที่เก้าก็ไปกรุงเทพวันที่สิบก็ไปอเมริกาเดินทางตลอดอืมนะก็ไปไม่ได้ค่อยได้อยู่เฉยเฉยนะ ไปตามความคิดนะเนาะความคิดพาไปนะ แ, แล้วก็รู้ตามนะคิดไปก็รู้ตามไปอิพนพะาตก็ช่วยหลวงพ่อบ้างนะอยู่กับตัวเองบ้างนะเป็นบางงานที่ได้ช่วยหลวงพอนะ่อก็ติดตามท่านมานะตั้งแต่ปีสองพันหร้ยสี่ิบห้านั่นแหละนะ ก็เห็นเหตุการณ์ต่างๆหลายอย่างได้ประสบการณ์แต่ว่าตมาก็เป็นเป็นคนพิการนะนะเป็นพระที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะเพราะร่างกาย <c oughs> ประสบอุบัติเหตุก่อนที่จะมาบวชนะก็เลยทำงานนักไม่ค่อยได้ก็ก็ช่วยในส่วนที่ช่วยได้นะช่วยในเรื่อง ใช้สติปัญญาใช้สมองะที่หลวงพ่อพูดพาดพิงที่เป็นโครหลวงพ่อนี่ไม่ใช่อะไรหรอกคือตอมาก็บางครั้งก็ไม่ได้อยู่กับหลวงพ่อนะก็เลยว่าสิ่งไหนที่พอหลวงพ่อพอจะช่วยตัวเองได้ก็ช่ว ย, ก, วยก็ทําเองนะเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่จริงหลวงพ่อเป็นคนที่สนใจอยู่แล้วก็ไม่ยากนะเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องสื่อสารเรื่องต่างๆนะ อตาตมาก็จะติดตามหลวงพ่อตลอดก็คงคงไม่ได้นะนะเลยหลวงพ่อท่านก็ทําเองเป็นหมดเลยนะแล้ก็ไม่ได้เป็นคโคเป็นอะไรหรอกนะก็แนะนําบางสิ่งบางอย่างนะอตาตมาก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้จากหลวงพ่อเยอะนะจากการเผยแพร่การบริหารจัดการทีนะ่ทีอ่อาตมา พูดเป็นแนะนำโยมเป็นนี่ก็ได้อาศัยหลวงพ่อนี่แหละให้โอกาสเปิดโอกาสนะปกติก็พูดไม่เป็นสอนไม่เป็นแนะนำโยมไม่เป็นแต่ว่าก็รู้อยู่แต่ว่าเอานํามาใช้ไม่เป็นนะก็หลวงพ่ อ, อก็ฝึกนะฝึกให้เราเพศเราสอนเราแนะนำญาโยมนะก็เลยก็เลยอาไปใช้เป็นนะนะก็อยู่กับหลวงพ่อนี่ก็ อย่างที่พระท่านพูดเมื่อวาน น, นะก็ต้อง <c oughs> อาจรมาเนื่อถึ ง, งเรื่องนิทานเรื่องไม่รู้นิทานในเรื่องจริงนะก็ เ, เคยอ่านเดียวเรื่องแปดสามยี 8, 3, ่สิบสามเคยได้ยินไหมครับโยมเคยยินไหมแปดสามยี่บสาม อาตมาก็กต็ตรงกับเรานะนะก็มีม <c oughs> คนมันเป็นเหตุการณ์ไม่รู้เหตุการณ์จริงต่อนะที่ที่ประเทศจีนน่ยนะก็คนไปซื้อของนะคนแก่ๆไปซื้อของที่ร้านขายของนั่นแหละไปซื้อของราคาแปดพนบาทเท่าไหร่นะซื้อสามอันอย่างเงี้ยแต่เขาจ่ายเงิน ยี่สิบสามอาจจะอาจจะยี่บสามยือนนั่นเอาะแต่สามมันได้เท่าไหร่โยมยี 24, ย่สิบสี่ใช่แต่เขาใจ่แค่ยี่สิบสามอย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะ ก, กันกับคนขาย <c oughs> คนซื้อคนขายทะเลาะ ก, กันมันไม่ไม่จ่ายยี่บสี่มันไม่จ่ายให้ยี่บสามอย่างเงี้ยพอดีผู้ตรวจการเลยว่าคนคนนางอะไรเนะี่ยเดินผ่านมาก็เห็นทะเลาะ ก, กันเห็นเสียงกันโยครับ ก็เลยเข้าไปดูนะก็ก็รู้ปัญหาว่าผู้ทำ ก, การคนนี้ก็เป็นคนตรงนะอ่ะนะจริงๆมันก็ต้องได้ยืบสี่นะทำไมไม่จ่ายเขายืบสี่นะทไมจ่ายยีบสามนะคคนซื้อก็บอกว่าท่านเป็นใครทำไมมากล้าตัดสินเรื่องนี้นะก็มผมว่ามันต้องได้ แปดสามก็ได้ยนะี่สามน่ก็เลยเสีย <c oughs> งกันนะถ้าแปดสามอ่าก็เลยชวนกันว่าเราไปให้ไอ้ผู้รู้ด้วยให้ท่านของเบ้นตัดสินดีกว่านะคงชื่อคงชื่อคงชื่อไม่ใช่คงชื่อนะตัดสินดีกว่าก็ <c oughs> เลยชวนกันไปก็แต่ว่าก่อนจะไปก็บอกกันก่อนนะว่า ถ้าแปดสามได้ยี่สิบสามเนีท่านจะให้อะไรผมนะคนคนซื้อนะ่ะนะคนคนนั้นนะ่ะที่เถียงกับคนขาย <c oughs> <c oughs> พวกผูดด้ตรวจการเลยว่าคนนางคนนี้ก็บอกค่าจะยอมสละตําแหน่งแนละสละหมวกนะใหนะ้แต่คนคนซื้อเนี่ยบอกว่าถ้าแปดสามไม่ได้ยีิบสี่ผมผมไม่ยอมตัดหัวเลยนะจะยอมให้ ตัดหัวทิ้งไล น, นะก็เลยไปหา <c oughs> ของชื่อนะไม่ใช่คงเบงนะไปหาคงชื่อคงชื่อก็เลย เ, เลยไปเล่าเหตุการณ์ให้ของชื่อฟังนะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงไงของคือของชื่อก็เลยตัดสินว่าอถูกต้องแล้วแปดสามมันก็ใต้ได้ยีบสามและวนะไปคุนนางเลยว่าผู้ต้อการคนนี้ก็เลยยอมสละตําแหน่งสลับหมวกนะ เดีย๋ยวเข้าใจมีฟังเรื่องนี้ครับไมมันไม่ได้ยี่สี่ทำไมมันได้ยี่สามซึ่งตั้งมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่เจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากทําไมมันแปดสามมันทำไมไ่ได้ได้ไดยี่สามนะจนทุกวันนี้ยั้งมาก็ยอมยอมรับเออมันก็ได้ยี่สามละมันไม่ได้ยี่สี่นะ <g ül> ก็ก็ยอมนะก็ยอม คือบางสิ่งบางอย่างบางครั้งเนี่ยมันเราจะให้มันเป๊ะให้มันถูกต้องทั้งหมดมันก็ไม่ได้คือเราอยู่ในสังคมก่อนที่เทตมาจะมานี่วันที่วันที่ห้าธันวาเนะะก็ในแวะแวะคุยกับไปเจ้าวาดเา่าที่วดัดเทตมาอยู่หพรอเมือนถมนะท่านก็ว่าถ้าเราเอาถูกต้องทั้งหมดเนี่ยเราก็อยู่กับโลกเขาไม่ได้อยู่กับชาวบ้านเขาไม่ได้ บางครั้งเราก็ต้องผ่อนปลนบางครั้งเราก็ต้อง <c oughs> ยอมเขาบ้างนะคือให้มันแปดสามก็ให้มันได้ยืบสามบ้างนะถ้าให้มันได้ยืบสี่มันก็อยู่กับเขาไม่ได้นะอาตมาก็เลยเออข้าใจฉะนัะ้นฉะนั้นอาตมาก็เลยเออถ้าเราจะอยู่กับชาว บ, บ้านอยู่กับโลกเรก็ต้อง อ, อมียืดหยุ่นมีผ่อนมีปลนมียอมเขาบ้างนี่นะ ฉะนั้นบางครั้งอาตอมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยก็ต้องอยอมต้องยุ่นยวนบ้างอะไรประมาณนั้นฉะนั้นก็ก็เลยทําทําใจได้นะก็เลยทํางานกับหลวงพ่อได้นะฉะนั้นมันก็จะให้มัน <c oughs> ถูกใจเราให้มันถูกต้องหมดทุกอย่างมันก็เขาไม่ได้นะญาติโยมก็ต้องทําใจบ้างเป็นบางอย่างมันมันไม่มีอะไรตรงเปร๊ะถูกต้องหมดหรอกก็ต้อง ต้องกลับอีกย้อนหนึ่งแล้ว อ, อีกแต้มหนึ่งแล้วก็ไปเติมเอาเองนะะแล้วก็เพิ่มเอาเองนะให้มันครบยีบสี่เอาเองแปดสามยี่ิบสามอะนะั 8, 3, 23, นะ่นะนะก็คือความรู้สึกหรือว่าประสบการณ์ที่ได้ <c oughs> ใกล้คิดหลวงพ่อทำงานช่วยงานหลวงพ่อมาอะนะไปอเมริกาก็เหมือนเดิ ม, ะมนะโยมก็ไปช่วยหลวงพ่อแบบนี้แหละนะก็มันไปหลายที่มันอาตมาไป กับหลวงพ่อเนี่ยมันคนอื่นเขาทิ้งหมดแล้วล่ะนะเขาเขาจะให้มาได้ยี่สิบสี่เขาไม่เอาละแล้วเขาทิ้งหลวงพ่อไปหมดแล้ะนะลาสีขาไปแล้วแล้วก็เสกไปแล้วแล้วไปที่อื่นหมดแล้วไปไม่รอดเหตะนั้นถ้าถ้าจะอยู่รอดก็ต้องยอมนะยืนหยวนบ้างนะงั็นมาที่นี่ก็อาตมาก็เห็นเหตุการณ์มาตลอดแต่สร้างสำนักตั้งแต่หลวงพ่อออกจากแพร่แสงเทียนมา นะมาอยู่หนองบกหลอดวัดป่าชายมงคลก่อนนะนันก็เหตุการณ์ประสบการณ์ต่างๆก็ซึมซับแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองนะพูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาตัวเองเนะี่ยอาตมาก <c oughs> นะ็อาจจะว่าเป็นคนเอาตัวเองรอดไว้ก่อนนะนะอืมนะเห็นแก่ตัวไว้ก่อนบางทีงานก็เออ งานเอาไว้งานเนาไว้ฝึกเฉยๆหลวงพ่อธรรมาทํางานกับหลวงพ่อนะ่างานเอาไว้ฝึกฝึกสติฝึกปัญญาเฉยๆนะอืมันจะสําเร็จจะเสร็จไม่เสร็จไม่ว่าแต่ว่าธรรมาเวลาทําก็ทําจริงนะทํางานทำํทำทําให้เสร็จทําให้เรียบร้อยบางทีก็อาจจะจริงจังเกินไปบางทีทํางานจริงจริจรงจังหลวงพ่อก็บอกให้ไปทําอย่างอื่นบ้างนะ ก็พยายามเอาตัวเองให้รอดช่วงหลงัลงๆมานี่ก็ไม่ไม่ค่อยไปนเน้นเรื่องงานเท่าไหร่แลก็นะโชคดีอยู่ที่มีญาโยมเข้ามาช่วยนะอย่างงานพวกเอ๊ะบันทึกผภาบันทึกเสียงหรือว่าทําซีดีทําอะไรให้หลวงพ่อนี่แนหะละก็ช่วงหลังๆมานะก็ได้ผ่อนคลายบ้างก็ อ, อิสระบ้างนะก็อมอบมอบภาร ะ, ะให้ ชุมนุมผลเพียรบ้างให้พวกทำสือ่อทำหนังสือทำอะไรต่างๆนะทุกวันนี้ก็สบายนะ ก, ก็ช่วยในด้านด้านอื่นไปนะเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์ปฏิบัติเรื่องรักษาอารมณ์อัตมาก็จะเน้นในส่วนนี้มามาโดยตลอดนะคือเมื่อวานก็ฟังโยมคุณหมอหวือโยมที่ได้ปฏิบัติแล้วมาได้สภาวะได้ความรู้สึกตัวได้อะไร พี่จีมันมันถ้าเราทําถูกมันมันก็ไม่ยากนะก็ได้สัมผัสได้เจออยู่แต่ว่าทํายังไงเราถึงจะให้มันถาวรให้มันมั่นคงนะหรือว่าให้มันเข้าใจจริงๆให้มันรู้ชัดจริงๆนะมันมันมันยากอยู่พะธรรมก็เคยสัมผัสเคยเจออยู่อารมณ์แบบที่โยมพูดนะครับคือมันได้แล้วมันไม่อยู่มันหายไปนะ ได้ปีติได้ความรู้สึกตัวอยู่แตมันก็รักษาไม่อยู่รักษาไม่เป็นนะงนช่วงหลงัลงๆมาอาตมาก็เลยเน้นเรื่องนี้เรื่งว่าเราเราทำงานคืงจะรักษาสิ่งที่เรารู้เราเข้าใจให้มันแล้วก็พัฒนาให้มันสูงขึ้นนิ่งขึ้นไปนะก็วิธีการของเราเนี่ยมันก็มีก็โชคดีอาตมาชโชคดีที่ว่า มันมีการให้ปีกตัวให้เก็บอารมณ์บ้างให้ให้อยู่คนเดียวบ้างตรงนี้ก็โชคดีที่ทําให้เราได้พัฒนาได้รักษาอารมณ์ให้ให้มันสูงขึ้นไม่ให้มันตกอารมณ์ไม่ให้ตกนะได้อาศัยการเก็บอารมณ์การปีกตัวนะหลังจากทํางานแล้วก็ได้พักได้เข้าคลายได้เก็บอารมณ์นี่แหละ ก็ทุกวันนี้ก็ยังนะก็ยังพยายามที่จะปรีกตัวพยายามที่จะรักษานะอารมณ์ให้มันคงที่ไม่ให้มันตกไปถึงแม้จะมีเรื่องราวอุปสรรคปัญหาต่างๆก็ก็เอาตัวตัวรอดได้นะเพราเรารู้วิธีนะที่จะเอาตัวรอดรู้วิธีที่จะรักษาอารมณ์นะนั้นก็อยากฝากญาติโยมนะคงจะไม่ได้ใช้เวลานานนะก็อยากฝากญาติโยามว่าเรา มาปฏิบัติเราก็ได้นะได้ปิติได้ความรู้สึกตัวได้ความเข้าใจนี่ทําไงเราถึงกลับเอาไปใช้ที่บ้านทําไงเราถึงจะรักษาให้มันต่อเนื่องเนี่ยเราจะอาไปใช้ไปปฏิบัติกับงานได้อย่างไรนะครับเราจะหาโอกาสที่จะปฏิบัติในรูปแบบได้อย่างไรก็อันนั้นก็อยากจะฝากญาติโยมเอาไปนะ ไม่ใช่ว่าจะมารอเ <c oughs> ข้าคอร์สมาปฏิบัติที่วัดนะถ้าเราสามารถเอาไปปฏิบัติที่บ้านไปเก็บอารมณ์ที่บ้านนะทำต่อที่บ้านไดนะ้เราก็จะก้าวหน้าได้นะอาธมาก็ทำแบบนั้นนะคือจะมารอเข้าเก็บอารมณ์นี่ก็ไม่ทันนะเพราะว่าเราต้องทำงานต้องเดินทางต้องไปนั่นไปนี่นะทุกที่ทุกเวลา เป็นการปฏิบัติเป็นการเก็บอารมณ์ไปในตัวหมดเลยนะงั้นก็อยากฝากญาติโยมอย่าอย่าปล่อยทิ้งนะญาติโยมเอย่เรากลับบ้านเนี่ยเราจากนี่ไปกรุงเทพหรือไปกลับไปบ้านที่ไหนเนะี่ยเดินทางไปเนะี่ยขับรถก็ดีแล้วนั่งรถโดยสารก็ดีหรือตลอดเส้นทางเนี่ยเป็นการเจริญสติเป็นการปฏิบัติไปตลอดจนถึงบ้านแล้วก็ปฏิบัติต่อไปเลยนะ รู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างลงบ้างรู้บ้างไม่เป็นไรนะขอให้รู้นะไม่รู้สึกไม่รู้เผลอไปแล้วก็กลับมารู้สึกตัวนะไม่รู้ก็ให้รู้นะรู้ก็รู้รู้ก็ให้รู้ไม่รู้ก็ให้รู้นะเป็นอย่างเงี้ยปฏิบัติธรรมถ้าเราตั้งใจถ้าเรากลับมาดูตัวเองบ่อยๆมันจะได้รู้หลงไปแล้วเผลอไปแล้วคิดไปแล้วอย่าเงี้ย มันเป็นลักษณะนี้ปฏิบัติทำอี่ยปล่อยให้มันเผลอนานนะไม่ใช่ว่ารู้ตอนเช้าก็จะรู้ตัวอีกทีตอนเย็นไม่ใช่เงี้ยนะต้องรู้ทีทีเผลอทีทีนะเผลอแล้วก็รู้เลยหลงแล้วก็รู้เลยนี่นะไม่ ใ, ให้ไม่ให้เผลอไม่ให้ลงนะ <c oughs> เผลอไม่เป็นไรลงเปไม่เป็นไรนะเผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้ลงแล้วก็รู้นี่นะ ปฏิบัติทำมันจึงจะเท่าหน้า น, นะก็คงจะฝากไว้ที่นี่เนาะว่าเวลาหลายลูกหลายองค์หลายคนนะเราจะได้มาแชร์ส่วนรายละเอียดต่างๆนะนประวัติความเป็นมารู้เจักชื่อแล้วเนาะนไม่รู้เพเราะวันละก็รู้ก็ได้มันเป็นอะไรเนาะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องนั้นเราก็เอ่า เจอกันคราวหน้าค่อยค่อยรู้จักก็ได้บางคนก็รู้จักแล้วนะอาตมาก็เน่นะไปปมามาช่วยงานหลวงพ่อที่เมืองไทยบ้างที่ต่างประเทศบ้างนะไปคราวนี้อาจจะไปนานหน่อยนะอาจจะไม่ได้กลับมาจำมันสาเมืองไทยนะก็เลยอืมอยากใช้โอกาสนะอยู่ตามไปตามที่ต่างๆนะ ไปเรียนรู้ไปเที่ยวไปชมไปดูนั่นดูนี่นะไปศึกษาถ้าพูดะอาจจะกลับมาปีห้าเก้าหรือปีหกศูนั่นแหละกลับมาเขาคงไม่อาตมาก็ไม่ได้เป็นมีพระอะไรก็ไปได้ไม่ได้เป็นพระสังฆาธิการไม่ได้เป็นเจ้ า, าวาัะก็ไปทำธุระไปที่จริงถ้าเจตนาคืออยากไปอยู่นานๆเนี่ยคือ อาจจะไปทำวีซ่าถาวรหรือเราไม่ต้องเที่ยวไปทุกปีนอะแต่มาก็ไม่อยากไปทุกปีเสียเงินเสียทองเสียยา จ, จมก็ลำบากรบกวนเขานะจึเลยกลับมาข่าวต่อไปเนะี่ยอาจจะอยู่เมืองไทยนานอาจจะอยู่2ปีสปีสีปนะีหลังจากกลับมาต่างประเทศข้าวหน้านน ะ, นะะก็เสียเวลายอมเสียเวลาตรงนี้หน่อยเพื่อไปคราวนี้ก็ไปอยู่นะเพื่อจะได้วีซ่าถาวร น, นะ ก็คิดถึงอนาคตการเผยแผ่ทำนี่แหละที่ว่า อ, อนาคตมันไม่แน่เนะมืองไทยอาจจะล่มสลายเหมือนอินเดียก็ไดนะ้ฉะนั้นเราก็เผื่อไวเพืนะ่อจะได้ช่วยนะเอาศาสนาไปปลูกฝังไว้ที่อื่นบ้าง น, ะนะนั่นก็ขอโนมโมตนายาทยมทุกคนนะที่มา <c oughs> ปฏิบัติมาเจริญสติร่วมกัน ก็ขอให้บุญกุศลสติปัญญาที่เราสะสมมาในจงเป็นพลวะเป็นปัจจัยเพื่อหนุนให้พวกเรานี่ได้สติได้ปัญญายิ่งขึ้นไปจนได้ดวงตาเห็นธรรมได้นำจิตหลุดพ้นจากความทุกโศกโลกภัยด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอนี่ก็เป็นความรู้สึก ท่านที่ให้ข่อคิดนะว่าการอยู่ในโลกนั้นมีสองลักษณะลักษณะที่เป็นสมมติลักษณะที่เป็นประมัิในแง่ของสมมตินี่ว่าสามแปดต้องย4สี่แต่แนแง่ของประมัิไม่ใช่สามแปดอาจจะได้ยี่สิบก็ได้เพราะอะไรเพราะว่ามัน <c oughs> มันคำนึงถึงกรณีแวดล้อมถ้าสมมติไอคนไปซื้อ ของเลยนะไอ้คนขายเนี่ยอีกหยวนเดียวนี่จะเอาให้ได้เนี่ยเขาจะต้องเสียลูกค้าใช่ไหมแต่เขาโอเคอ่ายีสามก็ยี่สามแต่เขาลักขาลูกค้าคนนั้นไม่ได้แทนที่จะไม่ได้เลยสักหยวนต่อไปเนี่ยพร้อมเกิดกับเรื่องนี้ใช่ไหมแต่เขาจะได้ไปเรื่อยๆได้ใจเขาเพราะฉะนั้นบุรามากเนี่ยต้องการที่จะได้ใจซึ่งกันและกันแต่สมมุติเนี่ยเอาไว้ใช้บางการณีที่มันจําเป็น น, นี่ลักษณะของการอยู่ร่วมสังคมแต่ลักษณะของการเมืองมีอีกคลิปหนึ่งพวกนี้เอามาจะแชร์บ่อยมากเลยโดยเฉพาะในช่วงที่มันเกิดเหตุการบ้านเมืองที่แปลปลนนะุเนี่ยมีอยู่คลิปหนึ่งทั้งตำบดออกกลางเนะี่ยสองบวกสองเป็นห้าใช่ไหมหลายคนคงได้อ่านในคลิปในวิดีโอขิวใช่ไหมใน Facebook ่สองบสองเอามาแชร์เรื่องนี้บ่อยมากเลยครูนี้ก็สอนนักเรียนนะ่บ นักเรียนคือครูคนนี้ดุมากอ่ะครูบอกว่าสองบอกสองเป็ต้องยอมแต่นักเรียนคนหนึ่งมันไม่ยอมสองบวกสองก็เป็น4ี่เป็นห้าได้ไงอครูนี้ก็ต้องเป็นห้าเทียงไปเถียงมานักเรียนทุกคนต้องต้องเงียบอ่ะไม่รูจะเข้าฝ่ายไหนทีนี้มันก็ถูกว่าสองกสองเป็นเป็นสี่แต่ครูบอกว่าสองกับสองเป็นห้าที่ครูคนนี้ก็ลงโทษนักเรียนคนนี้ให้ แต่ตำรวจมาจับออกไปเนี่ยคืออันนี้เหตุการณ์การปกครองในครอบครัว ก, ก็ดีในบ้านเมืองก็ดีถ้าเราเจอผู้นํำเผด็จการเราต้องว่าตามขบวนถ้าเป็นผู้นําประชาชนที่ผู้ใก็อีกแบบหนึ่งเนี่ยถึงลักษณะของการอยู่ร่วมเนี่ยก็เชื่อผู้นํานั้นผู้นําบอกว่าสองบวสองเป็นห้าก็ต้องเป็นห้าตามเขาด้วยถึงแม้จะไม่ใช่กต็ต้องว่าต้อ่าอ่าอา แต่ถ้าบอกว่าเราเป็นสี่อยู่คนเดียวนะก็อยู่ในสังคมนี้ไม่ได้เหมือนกันอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรากายบวกใจเราบอกว่าเป็นอะไรบางครั้งมันเป็นกุศลบางครั้งเป็นอกุศลกายบวกใจบางครั้งมันเป็นวิชาบางครั้งเป็นอวิชามันบวกกันสองอย่างเนี่ยเราจะเลือกเอาไหนบางครั้งมันเป็นอวิชาก็ต้องยอมให้เป็นอวิชาเพราะมันจําเป็น ถ้าเราจะเป็นอยู่ในกลุ่มเนี่ยพวกเราจะเอาวิชากับเขาตลอดไปเนี่ยเลิกอยู่เขาไม่ได้บางครั้งก็ยอมเอาวิชากับเขาอะรหันชี้กงใช่ไหมที่ว่ากินเหล้ากินยาเนี่ยเขาจะปราบโจรต้องกินเหล้ากับโจรก่อนโจรมันกินห้าขวดมันก็ไปไม่ไหวแล้วท่านกินสี่ขวดเลยแต่สติท่านดีสีขวดก็ไม่เมาเอาป่ากวว่าห้าขวดใ น, นโจรมันก็ เมาฉันก็จัดการหมดเลยทีนี้ลวกโจรได้หมดเลยเนี่ยบางครั้งกายบกใจมันเป็นทําเป็นอวิชาแต่ั้งรู้ว่าเป็นวิชาอันนี้คือการศิลปะในการใช้ชีวิตในสังคมในครอบครัวถ้าเรายอมกันเข้าใจกันอยู่นี้แล้วเนี่ยในครอบครัวในสังคมจะมีปัญหาแต่คนที่จะใช้อย่างนี้เป็นคนต้องรู้จักปรามัติหรือบางคนที่เรียกว่าดิาไปใชักันนะ้องปลองดองคอมพลอมไอสหรืออภัยอะไรพวกนีนะ้สามัญชนเนี่ยมันมันพูดในหลักการแต่ว่าความจรงิง ถ้าไม่สอนให้ประชาชนรู้จักปรามาิบ้างมันทำไม่ได้หรอกใช่เพราะนั้นเอายบสามก็ย3บแต่สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ไม่ต้องทะเลาะ ก, กัน อ, อันนี้ย4บสคูณยินมย่ 4, คุณต้องเสียตาแหน่งได้เสียลูกค้าด้วยมันคุ้มกันไหมแค่หยวนเดียว อ, อ, อันนี้คือเทคนิคศิลปะในการใช้ชีวิตก็คออ้นบูรณาสาธุในสิ่งที่ท่านแต่งปันมา และส่วนหนึ่งน่ น, น่าเป็นท่านคำพูดสุดท้ายนะท่านบอกว่าในการที่มีเหตุผลแล้วท่านจะต้องไปทำที่เซนที่อเมริกานี่ก็เพราะกลัวว่าเมืองไทยอาจจะเป็นเหมือนอินเดียนะคือกลัวพุทธศษสนาในประเทศไทยล่มสลายก็อามาเองก็ก็คิดว่าจะทำหลายปีแล้วแต่ป่านนี้ยังไม่ได้ทำเพราะยังไม่แน่ใจว่า ทางมีการจะลุ่มสลายก่อนไทยหรือไทยจะลุ่มก่อนสลายก่อนอเมริกานั่นแง่เศรษฐกิจเพราะโูกปัจจุบันนี้เอาเศรษฐกิจเป็นศาสนาแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าศาสน า, าเศรษฐกิจอยู่ได้ศาสนาก็อยู่ได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเอาละต่อมาเพื่อที่จะให้เรื่องลั่นต่อไปตัวแทนคุณประจวบนะที่มาครั้งนี้ก็ได้เพื่อนญาติธรรมมาอีกหลายคนอ่า ยมประจวบยมเปลี่ยนสุขเองไปเก็บปฏิบัติอยู่ที่ ว, วัดพระธาตุแสงเทียนได้อารมณ์มาส่วนหนึ่งก็มาชวนเพื่อนญาติธรรมมาร่วมอีกหลายๆายคนซึ่งตรงนี้ยมประจวบซึ่งทำงานทางด้านไฟฟ้าด้านกระบออเนาะทางด้านวินฟฟนฟฟนฟฟ์ตรงนั้นไคุณประจบต้านั้นก็แนะนำแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องว่ามันมีการสั่งสมและมีการ เข้าใจอย่างนี้เพราะว่าผู้บริหารทางด้านนี้หลายคนซึ่งมีหลักมีฐานไม่ได้มาได้ง่ายๆแต่คุณประจบมาได้อย่างไรนี่เอามาก็สนใจที่จะฟังอยู่ข อ, ขอเชิญด้วยก่อนขอไม่อีกดวนได้ไหม mm hmm. หมอเดินกียมาทางนี้นะขอโทษนะาขาเชิญตรงนี้ทีเกุยเลยถ้าจะให้นั่งชันเขาก็ไม่ไหวขาไม่เคยดีเนาะ ให้นั่งเก้าอี้แหละไปดิขอบคุณมากกรามนารัสการหลวงพ่อและครูบาอาจารย์ทุกรูปครับกราบอนุโมทนา ทุกคนที่ได้มาปฏิญรณในครั้งนี้โดยเฉพาะคุณพี่ทั้งสองของผมนะครับที่ได้มาร่วมในนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมปรับปริ่มใจมากครับสิ่งแรกที่ผมจะกลับเหรียญก็คือว่าเคยรายงานให้หลวงพ่อทราบที่ครั้งแรกผมเข้า ไปฝึกที่ปทุมศรีปทุมรีสอร์ทอะไรเนี่ยครับก็กลับเรียนท่านบอกว่าหลวงพ่อผมหลงทางตลอดเลยไม่รู้ยังไงว่างั้นหลวงพ่อพาผมกลับบ้านนะผมกลับบ้านไม่ถูกคนฟังก็หัวเราะว่าทำไมกลับบ้านไม่ถูกหรอว่างั้นตอนนี้ ก็เป็นแบบอย่างนี้นะหลวงพ่อท่านจะตื่นเช้าแล้วก็ผงไปนั่งอยู่หลวงพ่อก็เดินมาบอกว่าโยมเดี๋ยวผมจะพากลับบ้านนะวันที่สามเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาโยมกลับบ้านผมก็บอกอจะเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นพอสรุปแล้วก็คือว่าพอเข้าไปฝึกเนี่ยก็มีคนน้อยกว่านี้ครึ่งหนึ่งฮนะประมาณนั้น ปรากฏหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าโยมโยมาต้องไปเก็บอารมณ์ต้องไปฝึกเรียกเขาเรยกเก็บอารมณ์มาไปฝึกคนเดียวบอกไม่เคยเลยอย่างนี้ยังไงปรากฏว่าสิบเจ็ดชั่วโมงเนี่ยนะทั้งวันส7เจ็ดชั่วโมงนั้นไม่ให้ไมสัมผัสไม่พูดอะไรก็ปรากฏว่าพอถึงวันที่สามหลวงพ่อก็มาตี้บอกว่า ยอมคิดไม่คิดนะไม่รู้เหรอไม่รู้จริงหลวงพ่อเอ้ยทำไมคนอื่นเขารู้แล้วเอไม่รู้จริงครับคือคล้ายๆต่อหน้าคนด้วยนะคล้ายๆผมว่าโอ้โหหลวงพ่ อ, อเราทําไมโง่จังเราไม่รู้ไม่รู้ปรากฏว่า หลวงพ่อเนี่ยมันสอนให้เดินเดินแดีก็เดินถอยเดินไปเดินถอยพอเดินถอยเนี่ยมันเกิดมันเกิดอะไรขึ้นกูไม่รู้เนาะอะไรสว่างสวัยสว่วนไหวไปหมดเลยที่ที่ที่ไปปฏิบัตินะ่ะก็ไม่รู้อะไรหลวงพ่อมาวันที่หนึ่งวันที่สองมาตรวจสอบอารมณ์ผมก็เอ้หลวงพ่อที่ ที่มันปรากฏอย่างนี้สว่างสวายมันอะไรหลวงพ่อที่เขาเรียกสติใช่ไหมบอกหลวงพ่อใครแบบ อ, อย่างนี้บอก น, นแน่ตัวนี้โยมาเขาแบบเหมือนขี่ช้างอยู่แต่ว่าไม่รู้จักช้างบอกอะแล้วก็พอใครเขาขอก็ให้เข้าไปเลยเออผมก็มานั่งนึก ม, มันจริงนะ ผมเนี่ยฝึกตติฝึกน้องฝึกนี่ไปเลยเราไปเข้าสังคมเนี่ยก็ไปกับเขาไปดุยกับเขาไปยินดีไปสนุกสนานอะไรไปกับเขาไปเลื่อยเปื่อยเลยก็ขาดขาดไปเงี้ยก็ไ ด, กได้ก็ได้คิดตรงนี้นะและอีกพอพอกับความรู้สึกพอพอสัมผัสอันนี้ได้หลวงพ่อก็เมตตาผมมากเลยแค้ว่าคอยดูคอยดูคอยดูถลับเมื่อไหร่นะ มาดูทันทีเลยไม่รู้มารู้ได้ยังไงผมพอผมหลับนะมาทันทีเลยก็สรุปแล้วก็คอร์สนั้นก็โอเคได้สัมผัสว่าหัวใจของเระเทียนที่ท่านสอนนักหนาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นผมก็สัมผัสตรงนี้ได้แต่พอสัมผัสได้เนี่ยผมมีความรู้สึกยังไง ผมก็รู้สึกว่าพอกลับมาเนี่ยผมก็รู้สึกคิดถึงผู้วิพักคุณของผมคนหนึ่งซึ่แกสอนผมแล้วก็ส่งผมเรียนมาเนี่ยจนผมได้ทำงานมีหน้ามีตาอยู่ทุกวันเนี่ยนะทําให้ได้นะะผมไม่มีชีวิตอยู่เนี้ยก็ก็บังอาจนะนะผมว่านะผมเนี่ย ถ้าไปกราบท่านบอกว่าผมเจอหลวงพ่อเลยนะผมตามหามาตั้งสิบกว่าปีแล้วผมเคยไปที่แพร่ท่านบอกว่าพระแพร่ถังเทียนเนี่ยพอผมเข้าไปเขาบอกว่าผมพ่อเพิ่งออกไปน่ะคุณมาช้าไปนิดเดียวว่างั้นตั้งแต่นั่งมาผมก็ไม่เจออีกเลยพอต้องขอคุณคุณ คุณตุ่มฮะคุณสุนันทาเนี่ยไปไปเปิดคอสที่สีประทุมและภรรยาผมไปไปอ่านโพสเตอร์หรือยังไงเดียนะแล้วโทรมาถามมาว่าพี่หลวงพ่อชื่อพระมหาดิเรกเนี่ยพี่รู้จักหรือเปล่าบอกว่โทรพี่ตามมาตั้งสิบกว่าปีแล้วหาไม่เจอเพราะท่านเขาได้ก่าวว่าท่านไปอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยนะ บอกว่าจะเปิดคอร์สใหคอร์สท่ามากเลยไปเลยบอกงั้นนะนี่ภรรยาผมาก็เขาก็ดีนะเขาบอกเดี๋ยวผมไปเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนด้วยนะเขาไปเป็นเพื่อนผ ม, ผมจะให้ผมไปได้มีโอกาสนะครับก็สรุปแล้วก็คุณตุ่มนี่ก็ผมว่าต้องขอบคุณนะเป็นคนที่มีส่วนที่ทําให้ผมได้พบแล้วก็ได้อะไรเนี่ยนะตอนนี้ พอผมกลับมาบ้านเนี่ยผมก็ไปกล้าที่ไปชวนพี่ผมเนี่ยซึงเป็นอาจารย์ทั้งคู่นะผงก็นึกอยู่เหมือนกันนะนี่บางอาจมากนะ ถ, ถ้าถ้าหลวงพ่พูดอะไรเนี่ยหนึ่งผมผ ม, ผมก็จําได้นะหลวงพ่อเคยสอนมาว่าการจะพูดอะไรนี่ยนะมันยากนะ แต่จะพูดให้คนฟังแล้วก็เชื่อที่คุณพูดเนะี่ยยากกว่าแต่พูดแล้วคนฟังเนี่ยทำตามที่คนพูดได้เนะ่ยยากที่สุดอันนี้ผมก็ลองดูพอลองดูก็ไปกราบท่านแล้วก็ท่านก็ดีใจอย่างเงนนี้ก็ คือบุคลิกนั่งคือว่าถ้าท่านเจอน้องที่ไหนก็จะต้องพาไปรไ้านที่อันไหนอร่อยที่สุดนะต้องต้องต้องต้อ ง, อ ง, อ ง, องพาไปร้านนั้นแล้วก็คุยเรื่องนี้ให้ฟังพอคุยให้ฟังท่านนี้ก็ก็เข้าใจนะท่านสนใจเข้าใจหมดทุกอย่างทั้งคู่เลยปรากฏว่าก็กลับบ้านกลับบ้าง ก, บบางก็คุณพี่ก็โทรมาบอกว่าเอ้ยบ ที่หลวงพ่อสอนนะเขาสอนอยังไงว่า เ, เดินอย่างกลมมันมันมันมันเดินยังไงว่เขาบอกงั้นนะผม่าอธิบายทางโทรศัพท์นะพะออธิบายเสร็จที่บ้างท่านมันคล้ายๆเรามีที่อะมีที่เดินได้ปรากฏว่าบอกเอ้ตั้งแต่อธิบายนะฉันเดินทุกวันเลยนะฉันเดินทุกวันเลยนะบอกงันทั้งคู่เลยบอกงั้นบอก oh, oh, โอ้โหอัตโนมัติหนาด้วยก็เลยบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อจะมาที่ไอไอไอไอสวนโมกที่ ที่จนจะจุดจั ก, กั น, นะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่ทั้งสองเนี่ยไปคอยพบหลวงพ่อได้ก็ดัได้พบแล้วหลวงพ่อก็เทศเถิดอาจารย์หญิงนี่ก็บอกว่าโอ้โหประทับใจมากเลยขอบคุณคุณมาจบมากเลยเมืนอไงถ้าไม่ไม่รู้เนี่ยมันตาสว่างบอกว่าเออไม่เคยเจอพระอย่างนี้เลยนะ ท่านเทศได้โดนใจจริงๆคล้ายๆว่าเมื่อก่อนนะเทศไปเทศมาก็เลี้ยไหลได้ท้ยเลยเือนก็เจอมันอย่างนี้ตลอดอย่างนี้มาหายากก็สรุปว่าทางเขไปก็อย่างนี้ก็กเลยมาบอกว่าเดี๋ยวที่วัดธรรมแสงเทียนเนี่ยเขาจะมีจะลองไปฝึกดูมางงว่า เพราะว่าที่สองวันนั้นก็ลงเดินจงกรมอะไรเป็นและอะไรบางนั้นงนะจะลองมาอย่างนี้ดู บ, าบ้างไหเบอกงั้ก็สรุปแล้วก็อยากจะมามางอย่แต่ว่าขอไปตรวจร่างกายก่อนว่าพร้อมไหมอะไรอย่างงี้ยนะสรุปแล้วหมอก็การันตีว่าไปได้แล้วไปได้สิ่งที่ทึ่งที่สุดคือบอกเฮ้ยไปรถคันเดียววันน่ะบอกงั้นตอนนี้พอไปดูมาไปตรวจร่างกายแล้ว ไอ้ผมก็เอ๊เดี๋ยวเกิดไม่สบายแล้วอีกคนนึงกลับไปถ้าเราแล้ว เ, เราอยู่ตรงนี้ก็เอ๊ะเราก็ห่วงทางนี้เหมือนกันนะว่าโอกาสที่จะได้ได้สัมผัสอย่างเงี้ยมันยากก็เลยเอารถมาสองคันเลยปรากฏว่าผมเองปกติก็ไม่ค่อยขับรถอยู่แล้วนะสมัยทำงานก็ไม่ค่อยได้ขับตอะนั้นขับมานี่แล้วก็คุณพี่ แกขับเองนะแกขับมาเองมาที่นี่ผมมาดูจริงๆแล้วโอ้โหมันหมายากคมากันนะดูแล้หมายากเพราะฉะนั้นที่ไปชวนพี่ทั้งสองมาได้เนี่ยนะผมผมภูมิใจมากแล้วได้ฟังกาบรายงานหลวงพ่อมาคืนนี้แล้วผมเรลอแบบอือคือมัน มันเฉียดเฉวนิดนิดเหมือนกันนะผมว่าคือจะออกกลับบ้านแบบวันนี้จะกลับบ้านแต่แล้วเมื่อวานเนี่ยนะตอนนี้สนะุดที่มันได้แลวมาได้อตอนเมื่อวานนี้ใช่ไมที่อาจารย์หญิงสัมผัสได้เนี่ยผมบอกว่าสุดยอดแล้วมาตรงนี้มาสัมผัสตรงนี้ได้นี่ก็ถือว่าประบสบความสาเร็จสูงสุดเลยสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเนะ่อยู่ตรงนี้ ผมก็ตึงเรียกว่าประปึ้งใจตรงนี้นะที่คุณพี่ทั้งสองที่คือเป็นการผมคิดว่าผมได้ทดแทนพระคุณท่านนะอย่างที่เรียกว่าไม่มีอะไรที่จะสูงสุดเท่านี้ครับแล้วมาพูดถึงส่วนตัวผมผมมาที่นี่นะห้าวันแรกผมไม่ได้อะไรเลย ผมนอนไม่หลับเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแล้วพอนอนไม่หลับเนี่ยมันมันก็โอเคมันก็ปัญหามันก็กลับมาอยู่ที่กลางวันอีกกลางวันอยากจะนอนคล้ายๆเรามานึกว่าเอ๊ะคนแก่นี้เวลาค่อยๆนอนก็ไม่อยากจะนอนเวลาเ้าม่ให้นอนก็อยากจะหลับอะไรเงี้ยมันจะหลับไปเรื่อยก็เลยต้องเดินขึ้นเดินอะไรเดินลงอย่างเนี้ย มันก็ไม่รู้แต่มันก็แปลกใจว่าทำไมมันเดินได้ น, นานาถ้าคนนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยจะเดินเนี่ยมันจะมันมันจะดแรงอ่ะไม่มีไม่มีแรงแต่ก็แปลกใจว่าที่จริงใจไม่สู้นะแต่ว่าเอ้าทําไม่มีหลวงพ่อเดินหน้าเลยผมว่าผมผมหลบไปแล้วผมหนีแล้ ว, วก็จะรู้ว่าก็กระติด ที่มานะมันกำลังใจหรือว่ามีผู้มีอยุามีนำหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีใจฮึดสู้ขึ้นมาและไอตัวอุปสรรคที่ที่มันใหญ่หลวงที่สุดในความคิดผมที่ผสมทั้งห้าวันมาเนี่ยนะคือการง่วงเนี่ยมันทำไมมันง่วงไม่หยุดเลยตอนนี้เดิมเนี่ยผมผมติดตามผมอ่านหนังสือจากหลวงพ่อเขียนเนี่ย หลวงพ่อเคยเขียนหนังสือเรื่องตักหมอพระโพธิธรรมอะไรนะผมก็บอกเอ้มันหลวงพ่อนี่เขียนไว้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าที่พระโพธิธรรมเนี่ยท่านท่านคงง่วงนอนเหมือนผมเหมือนกันนะพระโพธิธรรมอย่างนั้นท่านเลยเอามีดเนี่ยให้หนังตาข้างบนใช่ไหมตัดออกหมดเพื่อเพื่อไม่ให้หลับ เพราะฉะนั้นผมก็มานึกว่าอุปสรรคตัวใหญ่ที่สุดของของการเจริญสติเนี่ยคือความง่วงเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ประสบอวดประสบความง่วงเนี่ยมากๆเนี่ยนะนั่นแหละอย่ยาอยา่ยาอย่ายอมแพ้ต่อไป สู้ต่อไปสู้ต่อไปแล้วก็ไอไอความง่วงเนะ่ยเสร็จแล้วมันก็มันมันก็จะแพ้เราเองแต่ว่าต้องต้องใช้ความอดทนต่อเนื่องอะไรที่หลวงพ่อว่าเนี่ยนะสรุปแล้วก็คือว่าแต่นี้พอมาห้าวันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยผมไม่ได้ลมเลยพอมาวันที่หกมันก็เป็นเรื่องแปลกนะ ผมเจอคนต่มคนสุนันทาที่ที่ที่บันฉลาเนี่ยบอกอ้าวเพิ่งมาเหรอบอกอ้าวเพิ่งมาเพิ่งมาก็ต้องอยู่ให้ครบเจ็ดวันนะบอกงนะั้นเลยเลยก็ผมก็เลยบอกว่าผมห้าวันหกห้าวันมาเนี่ยผมก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะยังไงยังไงผมก็สอบตกแน่แน่เพราะหลวงพ่อบอกอ้าวผมอยู่อีกเจ็ดวันบอกงนะั้นเดี๋ยวผมอยู่เป็นเพื่อน ปรากฏว่ามีคนได้ยินได้ยินที่ผมพูดว่าผมสอบตกแล้วคนนั้นก็คือเขอาปฏิบัติอยู่ใกล้ๆติดกับผมเนี่ยคือคบุญเท่งนั่งอยู่เนี่ยนะพอเคได้ยินก็บอกว่าเรียกผมพี่ใหญ่พี่ใหญ่ยยทำสร้างจังหวะพี่ใหญ่สร้างช้า คือใหต้องเป็นทําเหมือนอย่างขี่รถขี่จักรยานนะ่ะพอมันขี่ได้ปุ๊บเนี่ยนะมันต้องไปเร็วเร็วเลยไปเร็วเร็วให้มันมันจะไปขี่ชานะมันล้มเออจริงว่ะเออจริงนะเฮ้ยคาพูดนี้ขมมากเลยนะและประกอบกับอีกอย่างหนึ่งผมนั่งอยู่เนี่ยผมช่ำเลืองดูพระอาจารย์ประพันธ์เนี่ย ท่านสร้างจังหวะยังไงนะมันอย่างเราก็นิ่มนิ่มไปเงี้ยเออจริงเขาเขาว่างั้นทีนี้ผมก็ที่ไปเจอคุณคุณตุ่ ม, มนะพี่นี่บอกผมก็เข้าไ ป, ไปนั่งพอนั่งนั่งไปมานันนั่นเไอ้ความง่วงเกือบจะมาแล้วนะเกือบจะมาแล้วตอนนี้ พี่นี่ก็บอกให้สร้างเร็วๆผมก็สร้างเร็วๆแล้วผมก็นึกถึงอาจารย์ประพันธ์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยทําให้มันหนักๆนกแน่นๆน่อยให้มันรู้ว่าสัมผัสยังไงยังไงผมทําปรากฏว่าผมนั่งบนชลาเนี่ยตลอดเวลาน่ะนะผมได้ได้เต็มเลยแล้วคุณพี่เขาคอยควบคุมผมอยู่เขาบอกผ่านข้อนี้ผ่านลองอันนะเช้าเนี่ยคุณผ่าน มีคนตรวจสอบผมนะบอกคุมผ่านตอนบ่ายก็เอ๊ะผมก็ประกบเลยว่าตอนบ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ ด, ดูดูผมหน่อยนะปรากฏว่ามีคนอีกคนหนึงคุณพี่อะไรอีกคนคนนั้นเขาเก่งเขาเดินในแจวมากแต่เขาก็ไม่บอกอะไรผมมากนะคุมผมหน่อยเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเขาก็ไม่บอกแล้วอาจารย์ประพันธ์ก็เมตตามากเลย กรอบก้อนกรวก้อนทรายแล้วมาโรยในในในในที่ผมเดินน่ะนะเพราะชักความวงชักฉมาแล้วนะมาใหม่นะเพราะฉะนั้นพอสรุปแล้วพอพบ อ, พ อ, พ, อ, พ, อพอหยุดคุณพีนี่ประเมินว่าคุณสอบตกเหมือนคุณไม่ผ่านเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรมึงไม่ผ่านล่ะ เพราะคุณเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาในคุณว่วงคุณเดินไปเดินมาแล้วคุณไปนั่งนั่นแหละคุณตามความความคิดนั้นเน่ยคุณไปนั่งในคุณแพ้แล้วคุณเสร็จแล้วเออมันมันมันมันได้ความรู้จริงๆว่าให้เราไปทําตามความคิดนะพอเราเมื่อยปั๊บเราก็ไปหยุดพอไปหยุดแล้วเราก็ ไม่ไม่ไม่ได้ไอสิ่งที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เมื่อวานนี้ก็คือตอนบ่ายก็ตามที่ประเมินก็คือพอผมสอบตกตรงนั้นนะแล้วแกยังพูดแถมมาอีกว่าผมไม่ค่อยดูคุณเนะ่ะผมค่อยดูผมผมก็เสียผลประโยชน์ไปด้วยครับ ว, ว่างั้นขอโทษนะครับ ครับหลวงพ่อก็ก็ก็มีรายละเอียดขนาดนี้นนครับไปวางที่นันะครับจริงคุณประโจวบ ม, มีอะไรดีๆในตัวเยอะอยู่นะมีอารมณ์ขันที่คนจะเข้าใจเรื่องปฏิบัติธรรมเนี่ยคือส่วนหนึ่งเป็นคนมีอารมณ์ขันในตัวนะซึ่งเป็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นคือไม่เครียดอะ่ะมีอะไรที่ อ่าทำให้ในสิ่งที่เราตึงเกินไปเนี่ยเขาเรียกวมีลูกโซ่นะอารมณ์แบบลูกโซ่มันมันเกี่ยวค้องออกันอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ตึงเหมือน เ, อ เ, อเล็กเส้น น, นะถ้าประเภทเล็กเส้นก็ต้องเอาปเปเละไอนี้เลยเนี่ยอันนี้จะไม่รอดแต่ถ้าหากว่ามีการปรับเปลี่ยนมีดุดึงไปก็มีมุกเข้ามาแทรกอะไรอย่างี้แต่มันเกิดการการปรับเปลี่ยนอารมณ์ตรงนี้สาคัญ ในแง่ของกิจริาในแง่ของการปฏิบัติถือว่ารู้จักปรับผ่อนคลายและลงกกระลักมชิมาปฏิบัติ 5. ถ้าทําไปเรื่อยๆนี่ยนะแต่ <c oughs> ถ้าเราไม่ปฏิบัติวิปัสสนานะมันจะไปดูบัสักเพราะอะเพราะคุยสนุกเพื่อนชอบเรานะี่ยแล้วเพื่อนก็ดึงไปอย่างที่ <c oughs> ที่เป็นมาแล้วใช่มอ่าตรงนี้ก็เป็นทั้งดวงบัสักและเป็นทั้งตัวที่จะทําให้เกิดความสําเร็จได้และแต่ใช่มันเป็น แต่ว่าบุคคลที่ถูกอ้างถึงเนี่ยคงไม่ให้พูดคงไม่ได้นะหวเรเรียกแกหลวงพ่อแม้นนะเรียกท่านว่าหลวงพ่อแมน้นนิ ม, มนต์หลวงพ่อแม่นงหน้าหนะ่อยวัยสูงกว่าเพื่อนในที่นี่นเพราะว่ามีอาจารย์วารุณีเป็นลูกศิษย์คอยดูแลเป็นเป็นลูกวัดให้เพราะว่าวัยแปดสิบสามแล้วมาได้แล้วก็เดินคล่องแคล่วเหมือนเหมือนคนหนุ่มเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาอัะนั้นเองในฐานะที่ว่าได้ <c oughs> ทำงานาสอนในมหาวิทยาลัยมาตลอดเนี่ยคืออยากจะทราบเรงความแตกต่างว่า <c oughs> สติ <c oughs> ปัญญาหรือตัวความรู้ต่างๆกับสติปัญญาที่เรามาฝึกเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะซึ่งท่านก็อยากจะให้ท่านได้แชร์เรื่องนี้ว่าเป็นครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนี่ถือว่าสติปัญญาสูงละแต่ว่ามาฝึกสติปัญญาแบบนี้อีกเนี่ย อย่าจะเห็นความชัดเจนแล้วผู้ฟังน่จะเอาไปแยกกันถูกเขาเชิญหยินพลนนั่นแหละญาตินำบนเก้าอี้โอ้เขาไม่ดีนมัสการหลวงพ่อบรรดาประสง์ทุกท่านขอนมัสการญาติทำทุกท่านขอสวัสดิ์ครับ ผม <Okay. S 1> ผมดีใจจริงๆครับพอดีคุณประจวบหลานผมนี่ไปชว น, นก็เรามาผมก็ก็สนใจทางศาสนาอยู่แล้วเพราะนั้นผมมานี่ก็ไปที่หอของท่านพุทธทาสก็ไปพบหลวงพอ่อไปนั่งฟังก็รู้สึกว่าไอ้ท่านเทศดีจังไอ้ พระจกชนมาที่นี่ก็บอกเอาไปก็ไปแต่ผมมีปัญหาเยอะอโรกลุมเล่ า, าครับครับครับผมโอเคผมไม่ค่อยสบายผมทำงานเพิ่งเลิกมาเมื่อปีที่แล้วนี่เองสอนหนังสืออบรมพนักงานอบรมนักวิทยาศาสตร์อบรมข้าราชการผมไปที่ปรึกษาของทัพที่บุดีที่กระทรวงเิทยาศาสตร์ อบรมพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายผมพิเลิกทางานมานมุ๊กแปิบปีแต่ว่าสิ่งที่ผมยังทําต่อไปก็คือเรื่องของมูลนิธิเรื่องของสมาคมนิสิตเกา่าช่วยเหลืออะไรทั้งหลายแหละสร้างปัญหาสร้างกองทุนอะไรทั้งหลายแหละช่วยเหลือนิสิต ท, ที่ขาดแคลนคุณนะคพย์ผมทําอยู่ตลอดถึงเดี๋ยวนี้ผมก็ยังทําอยู่ แต่ว่าผมหยุดสอนหนังสือเพราะว่าไม่สบายที่ไม่สบายคือว่าผมไปอบรมที่กระทรวงวิทย์มีพวกนักวิทยาศาสตร์จากกรมกองต่างๆมาเยอะก็อบรมตั้งแต่เช้าคนเดียวเนี่ยนะตั้งแต่8ดโมงครึ่งยันห้าโมงพอเลิกแล้วห้าโมงผมหิวกระเป๋านักสือไม่ไหวเลย ผมไม่เคยเพ่นงนี่ผมสอนหนังสือเท่าไหร่เท่ากันทั้งคืนผมนก็สอนได้สมัยเป็นอาจารย์อยู่หนุ่มๆเป็นอาจารย์หนุ่มๆก็ช่วยเหลือพวกนิสิตทั้งหลายแหละผมสอนตั้งแต่หัวค่ํายังสว่างอาไปสอบเลยคือช่วยเหลือเด็กข้ามสอบได้พวกนี้มันคือพวกนักกีฬาบางพวกที่ทํากิจกรรมทั้งหลายแหละช่วยเหลือมหาหลัยทั้งหลายแหละพวกนี้มันไม่ค่อยเด็ดเรียนหนังสือ ผมก็เรียกมาอบรมเรียกมาสอนมาไปพอกินข้าวเสร็จสอนหนัสือเลยสอนเลยควกนี่จะสอนวิชานี้ผมสอนติลไ้ทั้งคืนเลยสอนเด็กคือสอบได้เดี๋ยวนี้มันรู้สึกบุญคุณผมเติร์หน้าที่ไรมันต้องโง่มันต้องมาหาผมพราะรู้สึกเนี่ยบุญคุว่าทําให้เขามีตัวตนคือมาได้อีกคนนึงยังตอบแทนคุณผมอยู่ตลอดเวลา ก็คือลูกศิษย์คนนี้จบวัดิตจากภาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์อยูลาเขาจะไปศึกษาต่างประเทศไปหาอาจารย์คนโน้นให้ช่วยรับรองให้หน่อย r ล c o m m e n d a t i o n ขอ r ล c o m m e n d a t i o n ของ อ, อ, อาจารย์ทั้งหลายแหละในภาวิชาไม่มีอาจารย์คนไหนเจียเขียน r ล c o m m e n d a t i o n ให้พอเขาไม่ค่อยเรียนหนังสือเกเรขาดเรียนบ่อยและบ่อยมาหาผมในสุดมาหาผม บอกจะไปทําอะไรไปเรียนหนังสือต่อบอกเออดีเนี่ยนะเรื่องการเรียนหนังสือนี่เราชอบอยู่แล้วเราส่งเสริมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นพวกลหลานทั้งหลายแหละแม้แมต่ทิงคุณปไปจบผมก็ดึงมาหมดจากต่างจังหวัดเนี่ยผมดึงไปเรียนหนังสือทําไม่เรียนหนังสือไม่ได้ไอผมเองก็ตอนสมัยเรียนหนังสือนี่ผมบอกว่าผมไม่เอาทํานา บอกแล้เลิกแล้วไว้กูไม่ทําแล้วนาะหลังสู้ฟ้าหน้าสู่ดินกูไม่ไหวแล้วถึงได้มุกมันนะบอกพี่สาบอกพอ่อบอกว่าขอให้ผมไปเรียนหนังสือเทวดาดีผมพอใจยิจ่งไปทั้งหมดพอใจคือหาผมรู้อพอพอละ <c oughs> ผมไม่เอาเลยครับไม่ต้องมายกหน้าไายบานชง่งไม่ต้องส่อนต้งแบบไม่ต้องผมหาผมเองเพราะฉะนั้น นี่ก็คือสิ่งที่ ท, ที่ผมเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมเองก็ดีใจจริงๆครับที่ได้มาเป็นลูกศิษย์งหลวงพ่อทําให้ผมรู้าศาสนามากขึ้นเยอะผมสอนหนังสือผมสอนวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยได้รู้เรื่องพุทธศสาสนาแต่ผมเป็นลูกศิษย์พระมาตลอดรู้เรื่องพระเรื่องวัดเรื่องเจ้าตรงทั้งหลายแหละนี่ผมสบายทําให้มาก แต่เรื่องของหลักพุทธศา ส, สนาเรียนมาตั้งแต่ชั้นมัธยมพระอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคผมก็ยังไม่ค่อยรู้เลยก็อ่านทุกสมุทัยนิโรธมรรคเป็นยังไงก็ไปสอบแต่จริงๆ้วมันไม่ได้เข้าไปในใจเราเลยเราไม่รู้เลยผมมาที่นี่ ได้ยินได้ฟังหลวงพ่อเทศแม้ผมทราบซึ้งว่าเราเพิ่งเข้าใจาศาสนาพุทธของเราเดี๋ยวนี้เองผมเพิ่งเพิ่งเข้าใจเอาแค่ ท, ท่านเทศวัน ก, นก่อนก็คือเลยเกิดดับสองอย่างนี่เราเองเราก็ไม่รู้เกิดดับมันเกิดอะไรมันดับยังไงก็รู้ว่าดับดับดับแต่ว่าเกิดเกิดมันเกิดยังไงมันดับนีงไง เพิ่มเข้าใจเพิ่มเข้าใจที่หลวงพ่อเทศหลวงพ่อที่ถามมันเกิดแล้วไอ้ลาว่าเกิดก็ดับนะเป็นอะไรหลวงพ่อให้พวกมาคําตอบผมก็เียนากคิดอย่างว่าเออที่หลวงพ่อถามเนี่ยไอเดด้เกิดดับเกิดดับเกิดมันก็เกิดแล้วมันก็ขั้ววนการมันก็เดินต่อไปจกนกระทั่งถึงดับ พอดับเสร็จมันก็อ้าวเดี๋ยวมันก็มาเกิดใหม่ต้องเกิดมา่างี้เราก็ต้องพยายามที่จะไม่ให้มันเกิดให้มันดับหรืออย่าให้มันเกิดอีกก็เพิ่งเข้าใจเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้เองผมผมมาปฏิบัติที่นี่ผมก็ยังไม่ค่อยได้เห็นธรรมบอนแฟนผมแต่เราต้องคู่สนใจผมก็อยู่ต่างจังหวัดไม่อยากอยู่กรุงเทพ ไปปกบ้านต่างจังหวัดเพราะว่าอยู่ตอนแก่ผมก็ไปที่วัดทําบุญวัดนั้นก็คือวัดคลองตลอดซึ่งมีโครงการอบรมเด็กข้าราชการทั้งหลายแหละเราก็รู้ว่าโอ้ท่านท่านทำประโยชน์ผมก็เห็นได้ว่าเออถ้าท่านอบรมคนให้มันคนดีเนี่ยแม้จะดีมากๆเลยผมที่ยมมากเลยก็ไปหาท่านไปคุยกัท่าน เอาของไปถวายท่านอะไรทั้งหลายแหละวันเกิดผมก็ไปทำบุญให้ท่านแสนหนึ่งบอกหลวงพ่อขอสนับสนุนไอโครงการที่หลวงพ่อทำที่จัดการอบรมทั้งหลายแหละพ่ให้แสนนึเพื่อที่จะแครี่งานต่อไปเพราะนั้นจริงๆแล้วผมมาคราวนี้ได้ประโยชน์อย่างยิ่งผมเพื่อซ้หนังสือไปอ่าน ผมเองชอบศึกษาเพราะนั้นมีหลายๆอย่างในพุทธศาสนาดึางที่หลวงพ่อเทศก็ตามในหนังสือผ ม, ผมต้องเอานังสือที่แปลขอซื้อจากท่านจเจ้าวาดท่านก็บอกให้เป็นลายลักยมโยมทำบุญมาแล้วเราพอแล้วโยงไปเลยคือผมมานั่งสวดมนต์กันทุกเช้าเย็นเช้าเย็น ผมก็นั่งดูแล้วก็รู้คําแปลซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่รู้เมื่อก่อนก็สวดมนต์สวดทกวันนะอิติปษษษิโสเนี่สวดทกวันแต่ไม่รู้อะไรเลยมันมันคืออะไรที่เราสวดไปมันมันอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะอิติปิโสพระกวายัางไรรู้ว่าอะไรแปลว่าอะไรพอได้มาจะอ่านหนังสือนี้ครผมก็อ่านหลายเรื่องเลย เอองั้นมีประโยชน์มากก็เลยอยากจะเอาตำล่านี้ไปไว้ศึกษาดูเลยขั้นตอนทั้งหลายแหละเอาตำลักของหลวงพ่อไปก็เพื่อที่จะไปศึกษาผมจะแครี่อ่อนผมจะศึกษาให้มันค่อนค้างรู้มากกว่านี้รู้จริงๆหน่อยคือไม่งั้นมันคือภาษาบาลีภาษาสันสกฤตในหนังสือพระทั้งหลายแหละเราอ่านแล้วเราไม่รู้เรื่องแต่นี่เป็นทําแปล ทำให้เรารู้เรื่องเข้าใจดียิ่งขึ้นผมจะไปศึกษาทั้งเอกสารของหลวงพอ่อทั้งหลายแล่จะไปศึกษาต่อว่าอะไรมันคืออะไรนะสติมันเป็นยังไงนะใจมันเป็นยังไงทั้งหลายแหลเเ่เรายังไม่ค่อยเข้าใจคนส่วนมากที่ไม่ไปวัดไปวาทั้งหลายแหล่แล้วไป ไปทา บ, บุญเสร็จแล้วกลับบ้านผมยังคิดว่าไม่ได้เร่คือได้บุญอย่างเดียวไปทาฐานคล้ายๆอย่างนั้น่ะนะครับแต่ว่าไอ้ความทราบซึ่งที่ไปแล้วได้อะไรกลับมาไม่ไ ม, ไม่มีครับเพราะนั้นผมมาคราวนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกก็ต้องขอขอบคุณคุณเปจวบหลานที่ไปจักจุดมอที่ไปหน่าย ที่เดียวรู้เพราะราบซึ่งก็คิดว่ามาวันนี้มาทั้งนี้ได้ประโยชน์สูงสุดผมจะแค่เรี่งานของผมความตั้งใจของผมต่อไปเรื่อยๆผมก็ได้วิธีการผมก็คุยกับท่านอาจารย์ประพันธ์ผมก็ว่าไอ้สิ่งที่เราทำ มันเป็นเหมือนกับหลักวิทยาศาสตร์ที่ผมทํางานอยู่ผมก็ใช้หลักอันนี้แต่ผมไม่รู้ว่าใช้หลักศาสนาแต่นั้นคือหลักที่ผมคิดหลักที่ผมเข้าใจทําไงาถึงจะสอนเด็กให้มันเก่งได้ทําไงถึงจะสอนเด็กให้มันรู้เรื่องดีได้เพราะศึกษาไปเรื่อยๆ เ, เพราะฉะนั้นที่ที่ที่ททยุราเขารู้จักผมเหมือนทั้งหมดอ่ะ เป็นคนที่สอนหนังสือลูกศิษย์ผมเยอะมากมเลยทั่วประเทศเขาว่าผมสอนหนังสือดีมากที่ผมสอนหนังสือดีก็เพราะว่าผมต้องทําความเข้าใจจริงๆให้เด็กทําความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนจริงๆก็เหมือนกับพุทธศาสตร์ชนาเนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้ว่าไอ้ตรงนี้คืออะไรนั่นอะไรคืออะไรอะไแต่ว่าเข้าใจกระบวนการทั้งหลายนีและ เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมจะนำไปประยุก์เข้ากับทางด้านวิชาการที่ผมต้องการหลักเขาทางพุทธศาสนาให้มากยิ่งขึ้นผมก็หวังว่าบุญกุศลทั้งหลายแหละที่พวกเราร่วมทำกันนี่คงจะเป็นภาวะปัจจัยให้ทุกท่านประสบความสำเร็จด้วยทุกท่านครับ อาธโมโตนาสาธุนะโอ้คำตั้งใจดีมากเลยฟังเสียงที่ออกมาจากใจแล้วก็ที่สําคัญท่านบอกว่าจะนําไปดําเนินการเพื่ความประคองต่อไปเรื่อยๆในการปฏิบัติท่านใช้คําว่าคลอ่อนนะหมายก็ว่าจะไม่ไม่หยุดนะเรื่องเนี้เพราะท่านมีลูกศิษย์หาทั่วประเทศทาเข้าใจเรื่องสติอย่างที่ท่านปฏิบัตินี่นะแล้ว ผลเผยได้คือลูกศิษย์ลูกานั้นจะต้องมารับฟังแล้วก็ในสิ่งที่ท่านจะต้องอนําไปเสนอใหม่คือไม่ใช่เรื่องความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วเป็นเรื่องของพุทธศาสตร์เขาฝากเรื่องนี้กับหลวงพ่อแม้นด้วยแต่ว่าเจนหญิงนะ <laughs> ช่วยเอาพุทธศาสตร์ไปเผยแพร่ในการให้ลูกศิษหาเพราะอันนั้นเราจะได้บุคคลสําคัญในการมารักษาพุทธศาสนาร่วมกันนะ ว่าที่สำคัญก็คือวันก่อนท่านมีศรัทธาว่าจะเอ า, าปัจจัยต่างๆม า, มาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยเพราะว่าตอนนี้หลวงพ่อกำลังทำพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเทียนแล้วก็วันที่สิบสองถึงสิบแปดเนี่ยจะจัดอบรมที่โรงเรียนรุ่งอรุณสถาบันสมศิล5ห้าวันหกหกวันเกือบเจดวันเนี่ย กอนนี้ข้ามไปอเมริกามาที่สิกถึงวันสิบแปก็รู้ว่าไปทํากันที่นั่นแล้วกันเราจะเท่ารับป่าเพื่อเอากองทุนเนี่ยไปตอนนี้มาให้ทําพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อเทียนแล้วก็ให้โยมคนหนึ่งเขารับอาสาเป็นอาจารย์สอนศิลปกรามาจนกเกษียณเกิดยุ78แล้วรุ่นเดียวกับอาจารย์กวิทเขมานัน t h รับอาสาทําโมเดลหลวงพ่อเทียนรูปเหมือนมาไปดูวันก่อนนี้เหมือนหลวงพ่อเทียนนีิแล้วก็เหมือนรูปจริงเหมือนเด็กแต่เป็นรูปสร้าง จังหวะเขาเหมืนจริงเขาเลยว่าจะเอาปัจจัยในส่วนเนี้ซึ่งคุณหมอทวรเป็นเป็นผู้เป็นเจ้าภาพหลักให้ก็เรียกว่าวันที่สิบสองสบดหลังจากจบคอร์ดก็จะถือโอกาสทอดพระปา ท, ที่นั่นคุณประจวบก็อาจจะมีโอกาสไปร่วมดัวนั้นด้วยนะถ้าไม่ได้ไปคอร์ดก็ไปวันสุดท้ายเพื่อจะกองทุนเนี่ย ผู้หมอทววรก็บอกอีก500ปีพันปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเราทําปูนปั้นทําอะไรต่างมันก็เสื่อมสลายแต่ถ้าเป็นทองเหลืองเนี่ยมันไม่เสื่อมเพื่อผู้ศาัทธาเสื่อมคนโดยค้นพบปะอันนี้เขาเขาจะดาเนินการเต่าได้ในสร้าง14บสี่จังหวะก็เลยทําเป็นอ่าเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นมารวบรวมหลักฐ า, านเอกสารอะไรต่างรูปเลโกต่างๆของหลวงพ่อเทียนไว้ในตอนั้นที่วัดพระทาตแสงเทียนพอดีวันที่สิธันวาฯนี้ฝ่ายทางด้าน คนที่ทํางานที่กระทรวงวัฒนธรรมเขาจะขึ้นไปทอดท้อป่าก็ทําเรื่องนี้เหมือนกันดังนั้นก็ขอฝากเอาไว้สําหรับหลุงเทพเนะว่าถ้าจะทําอะไรถวายอะไรตัวนี้มายังไม่รับเอาไปทําที่นั่นก็เรืกันเพื่อไปสร้างอพี่เพื่อพันธุ์วัทน์นะเขขออนุทนาจัดแมนแต่ท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นคนต่างจังหวัดจังหวัดไหนเนาะสิงห์บุรีอนุทนาทีนี้เวลา เรายังเหลืออยู่ก็คงจะใช้เวลาไม่มากแล้วเดีเนี้ระหว่างตัวแทนจากพแพร่คุณอํานวยกับผู้ยนิดใครจะไปอะไอางานเขาเชิญผู้ยนต์ทั้งนาน้นเลยอดีตผู้ใหญ่นะแต่รุ่นให้เป็นกำนันไม่ยอมเป็นออกมาทำหน้าที่เราเป็นกรรมการของวัดดูแลการก่อสร้างของวัดต่างๆคุณหมอธนาซึ่งเป็นเจ้าภาพกุฏิสามสี่หลังก็ให้กลุ่มผู้ยนต์เดียวไปดูแลให้ก็เรื่องการก่อสร้างต่างๆให้ บูชาพระอาจารยไตรและหลวงพ่อมหาดิเลกพุทธยานันโทนะครับและพระอาจารย์ทุกทแลวขอสวัสดีครับเพื่อนอสุสาึกษาชนทุกท่านนะครับที่ท่านเข้ามาอบรมในครั้งนี้นะครับปฏิบัติครั้งนี้นะครับครับหลวงพ่อหลวงพ่อของเราเป็นประธานใหญ่ในที่นี้นะฮะก็ท่านก็รู้ดีเนาะโอ้โสฉายาของท่านนี่กินขาดเลยครับหลวงพ่อ มหาดิเลกพุทธยานันโทพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันสมจริงครับสงจริงๆแกจะรู้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรแกรู้ทุกอย่าง <c oughs> จริงๆด้วยนะลงท้ายด้วยอภิญญาณันโทเนี่ยนันโทนันโดนี่หมายความว่าอภินันทนาการทุกอย่างกับญาติโยมทุกคนที่มาในในวัดเนี่ยฮะทุกอย่างแกหาได้หมดรู้ด้วยหาทาอะไรได้ทุกอย่าง <c oughs> สมฉายาของท่านจริงๆครับ อ่าผมก็เป็นเคยเป็นผู้ใหญ่มาแล้วสองสมัยนะฮะแต่ว่าอายุมันหมดซะก่อนเนาะก็เลยไปอดีตผู้ใหญ่ไปซะเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ที่ผมมาเนี่ยนะมีจุดประสงค์มีจุดประสงค์อยู่สองอย่าง <c oughs> อ่าอย่างแรกก็เมื่อวันไหนนะวันที่ทอดกรถิน่นวัดดอยนะฮะก็หลวงพ่อก็เคยบอกไว้ว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราทอดกรถิ่นแล้วปุ๊บเราจะมีงานที่วัดแพเอพระธาตุแสงเทียน จะมีการปฏิวัติธรรมเพื่ออุทิศสวนบุญสกุลส่ให้ก็ไม่อ้วนะครับไ mm hmm. ม่ชีอ้วเนาะแกเป็นคนที่นนับถือมากครับเพราะแกว่าเป็นพฤหัสนะพฤหัสแต่สามารถปฏิบัติธรรมและเป็นตัวแทนของหลวงพ่อได้ครับเป็นตัวแทนหลวงพอ่อเป็นกระบอกเสียงให้หลวงพ่อได้เหมือนกันเถอะสามารถสร้างที่ปฏิวัติธรรมได้นักถือท่านจริงๆท่านเป็นคนเด็วหู หนันงสือจริงๆนะฮะแล้วก็ที่มาเนี่ยอุทิศเนีส่วนบุญสุขุส่ทุกอย่างนาาเนี่ยที่ญาติโยมมานี่ครับนักมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้เพื่ออุทิศส่วนบุญสุขุส่วเนี่ยขอให้เยยบิณ ญ, ญาณของแม่อ้วยที่ไหนก็นจงรับรู้ด้วยนะครับว่าขณะ น, นี้นพวกเราชาวบ้านปักปานนะฮะบา้านเมืองเมืองแพร่เนี่ยฮะก็มาอุทิศส่วนบุญสุศุส่วให้ท่านแล้วนะครับและจุดประสงค์อีกเรื่องหนึ่งครับก็คนเราที่จะมาที่นี่นะครับก็นอกจากมันจะเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแหละฮะทุก ผมกระทุกทุกเหมือนกันทุกมาตั้งแต่ปีส่ออายุหกสิบสองปีแล้วทุกมาทุกมากก็คือว่าเราไม่ทุกต้องทุกษาบาลีนะที่ว่าเวทนานะี่ยมันจังหว่าล้วทุกที่ว่าที่ผมทุกนี่คือปวดขาวจริงๆปวดขาปวดข า, ดขาตั้งแต่บันเอลลงไปเลยนะฮะลงถึงน่องเลยมันปวดจริงๆผมขับรถจากแพร่ามาเนี่มันขาแข็งมดเลยฮนะพอกเลยเอ๊ทำไงดีโนผมจะปฏิบัติรอดไหม เมื่อก่อนผมเคยปฏิบัติที่แพทย์แสงเทียนทีหนึ่งแต่นั่นมันเป็นไรนะฮะแต่มาที่หลังๆเนี่ยพอมาฏิบัเอ๊ยมันยไปรอดอผมก็พอถึงวันที่หนึ่งก็ยังแข็งอยู่ลงจากรถเดินเกือบไม่ได้วันแรกอ่ะแต่พอวันที่สองก็ยังแข็งอยู่มันเจ็บมากนั่งเนี่ยผมวันที้ผมนั่งเอ๊สวดผมยังนั่งไม่ได้ผมก็นั่งข้างนอกเอาเก้าอี้มานั่งมันปวดมากครับพอวันที่สามก็ยังปวดอีกความทุกข์อะเนาะทงไงกับปฏิบัติไปเรื่อย ก็วันที่สาผมก็ถามให้ไม่กำนันสีดาผมว่าไอ้แม่กำ น, นันผมขอยืมรถหน่อยได้ไหมผมจะเอาไปหาหมอข้างนอกแม่กำนันโอ้เดี๋ยวเดียวตรวจฐานหมอกพ่อทุกคนผมไม่กล้าถามแล้วถ้างั้นปฏิบัติไปรอดีกว่าไม่ต้องถามดีกว่าไปปฏิบัติถึงวันที่สี่ที่ห้าที่สี่ครับใกล้ถึงวันที่ห้าแล้วก็พอดีผมไปตะแคงท่าไหนไม่รู้ฮะผมไปจับดูขาตรงเนี้ยมันมันเป็นเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งครับมันแข็งโปกเลยนะครับผมก็จับดูเรื่อยๆมาจับมาแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ เอ้มันรู้สึกมันหายเนี่ยมันมันมาจากไหนมันหายไปจากไหนไม่ได้กินยานะครับยาก็ไม่ได้กินมันหายมาจากไหนผมก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ไปแปดิเอร์ซแล้วการหายของมันเนี่ยนะนเหลือ20ซก็จะพยายาม <c oughs> ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะครับปฏิบัติเอาจนกว่ามันจะหายกันแหละก็ยังว่าพ่อเนาะตอนนี้ก็ทางแพร่เราวัดแพรย์วัดโ ด, อดอยนะเราก็สร้างอยู่หลวงพ่อก็จะสร้างศาลายังไม่เสร็จตอนนี้กำลังทำเพลรมเพดาน ก็มีเรื่องไฟฟ้าเข้ามาสุดเกี่ยวอกีก <c oughs> เรื่องนี้ก็ขอฝากคุณประจวบเนาะขอฝากคุณที่คุณประจวบเรื่องไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์ทางถนนหนทางที่สายไฟมันจะผ่านตรงไหนมาตรงไหนขนาดไหนผมจะเคลียร์ตรงนั้นก่อนแล้วก็จะคุยกับท่านหลวงพ่อเองนะพระอาจารย์เองว่าเราจะให้ได้รับอนุญาต จ, จากป่าไม้ก่อนนะถ้าแล้วก็เราจะทําไฟขึ้นนะมันระบากเนี่ยมันจะบาดตรงนี้ยครับ ก็ดีนะมัดที่มาปฏิบัติในห้าห้าวันเออเจ็ดวันเนี่ยเจ็ดวันครับวันนี้ย ก, ก็ได้ดีได้ดุงพ่อเียประพันธ์นี่ก็สุดยอดครับอืถ้าแกมาแล้วตื่นทุกคนอาจารย์ประพันนะมาแล้วตื่นทุกคนบางคนนั่งเงยงเงย ง, งเงยอาจารย์ประพันธมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปตื่นเต้นละจริงๆนะครับเออดีมากดีมากท่านอาจารย์นะครับก็คงคงผมยังไม่มีอะไรมากนะฮะ ก็ขออย่าทีรททุกท่านจงเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนนะครับแต่ทุกคนขออย่าลืมนะครับสามแปดตงยี่ิสามทุกท่านครับขอบุณครับจบได้จไดใจญ่สามแปดยีิสามนี่ได้เรื่องน ะ, ะไงไก่ยูสามแปดี่สขอทดแทนจากกลุ่มของรามาอาจารย์หมอเอาใครดีเรื่องอาจารย์หมอรายงานเอง ขาอเชิญชื่ออะไรจันนิตเนะเชิญจนิตข้างหน้าเลยอนก็ทางกุมลมาโดยที่หมอธนาหมอมโนดนะได้มาปฏิบัติธรรมหลายครั้งก็เลยเลยส่งลูกศิษย์มาเพื่อที่จะมาศึกษาเรื่องนี้ขอเชิญ กราบบูชาพระรัตนตรตยท่านหลวงพ่อมหาดิเลกและพระคุณเจ้าทุกพระ อ, องคอ์กับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านออดิฉันสอนอยู่ที่รามาธิบดีในหลักสูตรแก้ไขการพูดนะคะคือกลุ่มคนไข้ที่ไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ก็จะกระตุ้นให้ส่งเสริมให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ก็อี้หลาตอนนี้ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาพูดเรื่องเรื่องทางธรรมต่อหน้าคนเยอะๆก็ถ้าบอกว่าสนใจที่จะปฏิบัติมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ต้องเริ่มไปที่ปีสองพันห้ารอยสี่สิบหกที่ย้ายจากสีร้านมาอยู่ที่รามาธิบดีหัวหน้าคือด้วยเป็นคนที่ง่ายแล้วก็ หยวนตลอดอจนเพื่อนๆบอกว่าหวให้พูดคําว่าหัดพูดคาว่าไม่บางได้ไหมอะเงล้่ยญเดียวนี่ก็มีความหมายนะค่ะเสร็จแล้วหัวหน้าก็มีวันหนึ่งที่ได้อ่านหนังสือพี่หัวหน้าก็มาถึงก็บอกว่าเนี่รู้จักไหมสติสติรู้จักไหมทํามีซะบ้างเราก็ตกใจฮะนี่เราไม่รู้จักสติและสติเราไม่มีสติเลยวันนั้นก็นั่งร้องไห้แล้ว แต่หลังจากนั้นก็แบบฉันต้องมีสติก็เลยเดินทางเข้าสู่การเรียนรู้ตรงนี้ก็ได้เข้าที่อบรมในการนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็ไม่ได้บ่อยพ้อมๆกับเป็นอาสาสมัครไปด้วยก็ก็เลยได้รู้มาว่าอ๋อเราใช้ชีวิตประจำวันยังไงแต่มันก็รู้แบบงูงูปลาแล้วยังเอาไปใช้สอนคนไข้คือ ปี2550เนี่ยเขียนขอทุน Starling Foundation ที่อเมริกาคือกลุ่มสมาคมคนพูดติดอ่างเขียนไปบอกว่าฉันใช้ m y f ์ฟูลสำหรับฝึกคนไข้ล้วเขาก็ให้ทุนมาแล้วเขาก็ให้ไปช่วยอธิบายถึงสิ่งที่เราทำเราก็อธิบายในสิ่งที่เราทำแต่มาถึงวันนี้มันรู้ว่ามันแค่ผิวเผินแต่ที่อเมริกากลุ่มนะักแก้ไขาการพูดที่นั่นน่ะเขาจะรู้สึกว่า ผมเป็นรัฐแมสซาชูเซตนะคะตรงนั้นซึ่งเป็นที่ที่มีสํานักในการปฏิบัติอยู่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเออฉันก็ใช้อยู่แล้วทางชาติเนี่ยเขาพยายามที่จะเอาไอ้ตรงนี้มาเขียนเป็นตําราไม่ว่าจะฝึกคนไข้สมาธิสั้นหรือว่าคนไข้ผู้ติดอ่านแล้วเขาก็าเผยแพร่ออกมาแล้วปฏบัติอนี้ปฏิบัติที่สำคัญ ไ, ได้ไหมอ๋อได้ค่ะเสร็จแล้วพอหลังจากที่ในในเจวันเนี้ย ก็คือสาวันแรกเนี่ยง่วงก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นเคยเจอท่านหลวงพ่อเมื่อปีที่แล้วแล้วแล้วก็พยายามไปที่วัดส่วนโมกทุกทุกเดือนก็ทำง่วงบ้างง่วงสลับกันอยู่เรื่อยๆก็ยังไม่รู้ว่าทำไงจนมาที่นี่สาวันแรกก็ง่วงพวันที่สี่ได้เจอท่านอาจารย์ประพันธ์ ขณะที่เดินชมกลมอยู่อาจารย์ก็อาจารย์ก็ถามบอกว่าเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกไหมก็บอกรู้สึกรู้สึกขณะที่เดินเดินเดินเดินไปเฮ้ยมันมันต้องในชีวิตประจําวันมันต้องง่ายง่ายสิใช่ไหมแต่ก็เสียงของท่านอาจารย์สมพงษ์พูดมาว่าปฏิบัติไปไม่ต้องถามเราก็เอออย่าเพิ่งถามเราทําต่อไปแต่ไม่ได้ต้องถามก็เลยวิ่งไปบอกาอาจารย์ว่าที่เดินเดินหรือว่าที่เราทําเนี่ย าอาจารย์ทุกท่านต้องการให้เราทําแบบให้มันง่ายกับชีวิตประจําวันใช่ไหมอาจารย์บอกว่าใช่แต่ห้ามคิดเหมันไม่ต้องคิดถ้าคิดก็ให้รู้แล้วก็ให้ให้รับรู้ไปก็เลยกลับมาทําและถ้าสมมติว่าถ้าเราก้มหรือว่าเราเราเดินเราเพ่งมากเนี่ยเราจะเมื่อยเราก็ต้องรู้ตัวไม่ใช่เราเพ่งไปตรงนั้นก็เข้าใจแล้วให้เปลี่ยนอิริยาบถก็เลยพยายามเปลี่ยนพอเปลี่ยนท่านจุดพอกลับมาปุ๊บ ม, มันเกิดความรู้สึก ที่คนเขาชอบพูดกันว่าขนลุกอา้าวขนลุกเป็นอย่างนี้เองเหรอแล้วมันก็เป็นความสบายๆแล้วมันก็รู้สึกว่าเออเรารู้เราต้องรู้รับรู้ตลอดทุกการเคลื่อนไหวทั้งร้อนแข็งเย็นแล้วมันก็ยังอยู่ที่เท้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะเสร็จแล้วก็เสียงระฆังผักเพนทานข้าวพอตอนบ่าย เ, เดี๋ยวต้องทำอีกทำให้ได้อย่างนั้นอีกกเ็เดินเดินเดินเดินเสร็จไม่ได้สักทีจนประมาณบ่ายสามคึ่วิ่งไปหาะ้าจานะ้าชานทำไมมันไม่เหมือนมาเช้าะ้าจานถามบอกว่าตะ ว, วันมันเปลี่ยนที่หรือเปล่าเออใช่ว <c oughs> <c oughs> ความอยากที่มันมีมนก็เลยมองเห็นว่าเราอะไม่ได้วางเราอยากที่จะให้ได้ให้ให้มีเกิดขึ้น ก็เลยเข้าใจแล้วค่ะก็เลยวิ่งวิ่งวิ่งกลับไปแล้วก็ไปไ ป, ไปทําทําใหม่ไปปฏิบัติแล้วทีนี้ก็วางมันไปมันก็ไม่ได้เกิด อ, อะไรขึ้นก็รู้ว่าอ๋อเราทําแบบนี้นะแล้วพอวันที่มันรุ่งขึ้นก็ปฏิบัติจนถึงเมื่อวานเนี้ยช่วงเช้าที่อยู่บนศาลามันก็มีจุดง่วงแล้วมันก็มีเคลิมเคลิมเคลิมเหมือน จิตตัวเองหลอกตัวเองอะค่ะว่ามีคนมายื่นของให้แล้วมือเราก็หันไปหยิบเราก็รู้สึกว่ามือเราขนาดที่เรายกอยู่เนี่ยมีอีกมือหนึ่งไปหยิบของพี่อา้าวทำไมไม่ได้อะไรก็เลยตื่นตื่นแล้วก็เลยปฏิบัติต่อแล้วพอตอนบ่ายขนาดที่เดินทำสิ่งที่อาจารย์สอนมันมันมีมากขึ้นคือคําว่ากายสัมผัสใจรับรู้มันก็ผุดขึ้นมาแล้วก็เสียงสวดมนต์ตอนทุกๆุกวันเช้าเย็น ก็จะมีบทแต่ละบทขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นคนที่จำจาตรงนั้นได้ก็ก็ก็ทำให้เข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยคือรู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมมันเวลาเราเดินเวลาที่เราเราแกว่งแขนเวลาที่เราสูดลมหายใจมันจะไปพร้อมๆกันหมดแต่คิดว่ามันคงอยู่ไม่นานก็เลยตั้งจิตว่า จะต้องกลับไปแล้วจะต้องทำให้ต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอมากขึ้นนอกจากที่เคยทำในชีวิตประจำวันรู้สึกว่าบทเรียนที่ได้จากที่นี่เนี่ยสิ่งที่พระอาจารย์ให้ก็คือตั้งแต่การสวดบทสวดมนต์ฟันคืนมันเหมือนเป็นบทเรียนต่อไปแล้วพอตอนเช้าพระอาจารย์เทศ หลวงพ่อเทศให้เราฟังมันก็เชื่อมโยงกันแล้วก็กลับไปใช้มันเลยได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจมากขึ้นขอบพระคุณค่ะสาธุนะไมมีเวลาที่จะถามต่อจบเอานั้นคนที่เรานั่งเห็นหน้าทุกทุกวันที่โตะ๊ะอ้อำนวยการนะโยพณีซึ่ง ได้รับรายการมาตลอดหลังจากเกษียณรายการแล้วก็ออกมาปฏิบัติที่นี่เลยซึ่งมีอะไรที่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วมาทําหน้าที่เป็นบริกรในงานนี้เขาเชิญคุณพนีข้างหน้าเลยพลเพราะในการวิธีการหว อ, อเทียนเนี่ยเราหาบริกรในงานต่างๆค่อนข้างยา ก, ยากเพราะว่าแต่ละคนก็มีภารกิจดูแลครอบครัวดูแลงานที่ตัวเองมีอยู่นั้นอยากจะให้ คุณพนีเนี่ยได้พูดถึงว่าการปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็ให้เกิดจิตอาสามาเป็นธรรมะบริคอได้เนี่ยมันจะต้องใช้ความอาศิสลาขนาดไหนแล้วมาสังเกตผู้เข้าปฏิบัติแล้วนมีอะไรที่จะควรแนะนาแล้วก็ความตั้งใจของผู้เรียนทำในด้านจิตอาสาด้านนี้มีความจะเป็นอย่างไรเนี่ยเผื่อว่าเราอยากจะได้ให้มีจิตอาสาในด้านนี้มากขึ้นก็เชิญพล ส, ส่วนอยู่ที่ไหนมาจากไหนทําอะไร mm hmm. ก็แนะนําตัวเองแล้วกันหลวงพ่อไม่รู้รายละเอียดเห็นแต่หน้ากันแต่ไม่รู้จักเ mm hmm. บื้องหลังนะ mm hmm. ก็ขอแนะนำํำขอเชิญหน้าขบนได้ทุกคนกราบน้ำมศการหลวงพ่อกราบนำ้ำมศการพระอาจารย์ทุกรูปแล้วก็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะ mm hmm. เ อ, อ่อ ดีใจมากที่มีโอกาสได้มาดูแลตรงนี้คือที่ันชื่อสวรนณีค่ะไม่ใช่วันนี้สวรนีรับราชการเป็นครูนะคะสอนโรงเรียนมัธยมสอนเด็กโตโรงเรียนระดับมัธยมพิเศษนักเรียน3 0 0พันค่ะครูประมาณ165ยห้าตอนนี้ก็รับราชการมาจนกระทั่งเกือบจกกะเกษียณพออายุได้58ปีปีนั้นก็ปีห้าห้านะคะมันมีเออรี่รุ่นสุดท้าย คือความคิดของตัวเองก็คือทํางานให้ให้ราชการไปแล้วสองปีก่อนเกษียณก็คิดว่าให้เวลาตัวเองในการปฏิบัติธรรมก็เลยเออรี่ออกมาแล้วก็มาเริ่มปฏิบัติธรรมนี่คือจุดมุ่งหมายคือถ้าทํามาจนกระทั่งเกษียณก็เกษียณกันยาที่แล้วนื้อตอนนี้ก็คือก่อนนั้นนะปฏิบัติธรรมในสายยุบหนอพองหนอของหลวงพ่อจันรวัดอัมพวันมาก็มีฐานตัวนี้มาประมาณยี่กว่าปีนะฮะตอนนี้พอปฏิบัติไปตัวเองก็มีปัญหา มันมีปัญหาตรงที่ว่าเรามีปัญหาแล้วไม่มีใครสอบอารมณ์ให้เราไม่มีใครแก้อารมณ์ให้เราแล้วก็สิงบุรีมันไกลจากขอนแก่นที่อยู่พอดีมาได้มีโอกาสมาอ่านหนังสือของหลวงพ่อมหาดิเรกได้ฟังเทปท่านก็เลยสนใจไอ้มันมันก็ฐานเดียวกันการปฏิบัติยุบหนอบ้องหนอมันจับความรู้สึกตรงท้องใช่ไหมคะขึ้นมาเท่านั้นเองเสร็จแล้วก็การเคลื่อนไหวมันก็คือจับสติตรงการเคลื่อนไหวแล้วก็การรับโลความรู้สึกตัวเราก็มันฐานเดียวกันทุกอย่าง ก็มีความสนใจช่วงนั้นหลวงพ่ออยู่เมืองนอกนีฉท่านก็เลยให้ลูกศิษย์อีเมลไปถามหลวงพ่อที่เมืองนอกออขอเบอร์โทรศัพท์ขออะไรอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็เลยไม่ตาว่ากลับมาเมืองไทยแล้วเอ่อให้ตามมาปฏิบัติก็ได้มาครั้งแรกปีนี้ที่ที่วัดเนล่าคาะค่ะวัาถ้ำแสงเทียนปี53ตอนนั้นก็ขออนุญาตมาปฏิบัติธรรมเวัน แต่พอมาจริงๆตอนนั้นก็คือบอกได้เลยว่าครั้งแรกที่มาปฏิบัติกับหลวงพอ่อมันเป็นการแปะอยู่กับพวกกลุ่มพยาบาลซึ่งเขาปฏบิบัติบนสาราหลวงพ่อให้ดิฉันทาเหมือนเก็บอารมณ์อยู่ข้างในแต่ตอนนี้ตัวเองอ่ะบอกตามตรงเลยว่าฐานของไอ้ตัวเดิมมันแน่นเสร็จแล้วพอเวลาเราทํเนี่ยเราเกิดความรู้สึกลังเลนะคะ ลังเรือใจว่าเอ้ยกมืออย่างนี้เดินอย่างนี้ง่ายๆไม่มีอะไรมันจะได้อะไรสรุปแล้วครั้งแรกตรงนั้นดิฉันไม่ได้อะไรเลยเข้าไปได้แค่ความอดทนตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ทิ้งความตั้งใจเมื่อเรียกออกมาแล้วดิวฉันก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์มงคลนะคะวัดป่าสิีบุรพาเป็นครั้งแรกที่ที่เคยเข้ามาอบรมแบบสายงานอย่างนี้คือตัวเองไม่เคยไปแบบนั้นก็ได้มีโอกาสเจอพระหลายรูปท่านก็เทศท่านก็สอนแล้วก็ปฏิบัติไป เราก็มาเจอหลวงพ่อสงครามวัดป่าแกดำ ม, มหาสารคามนะคะตรงนั้นก็มีโอกาสที่ว่าท่านท่านเคี่ยวเข็นในการปฏิบัติก็เริ่มเห็นอะไรหลาย ๆ, ๆอย่างคือเริ่มเกิดคิดว่ามันเป็นแววของความรู้สึกตัวเนาะเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนกระทั่งแบบ45วันเก็บอารมณ์แต่ี้พอปฏิบัติไปปุ๊บครั้งแรกที่มันเกิดแรงบันดัลใจเว่าเออน่าจะใช่นะทำไปทําไ ป, าไปมันเหมือนอ ม, ม, มีเมงเกาะตรงนี้นะคะท่านก็ว่าจะปัดมือออกอย่างเงี้ย ความรู้สึกพอแตะปั๊บเราไม่ได้แตะหน้าเรานะคะความรู้สึกมันแตะปั๊บขึ้นมามันวาบขึ้นมาอ่ารูปเคลื่อนไหวใจรับรู้มันขึ้นมาเฉยๆนะครับพูดมันขึ้นบนหัวพอมันขึ้นมาอย่างงี้ปุ๊เอ๊ะมันขึ้นมาได้ยังไงเราก็นึกอยู่นะเอออ่ะก็ทําไปทําไปเสร็จแล้วตอนนี้มีอยู่ช่วงที่ว่าหลังจากนั้นมามันจะเกิดความความศรัทธาขึ้นมาแล้วว่ามันน่าจะใช่ เสร็จแล้วก็เลยไม่ได้มาเก็บอารมณ์กับพระอาจารย์มสมพงศ์ที่วัดถ้ำเนี่ย ค, ครั้งแรกก็คือเดือนมีนามีนาปีนี้นะคะที่เริ่มจริงจังก็เก็บอารมณ์ท่านก็ให้ปฏิบัติอยู่ข้างนอก3าวันแล้วเข้าไปเก็บอารมณ์พอเก็บอารมณ์ปุ๊บเดี๋ยวท่านก็ทําไปทําไปพอถึงตอนเย็นอาจารย์ก็ให้ให้สอบอารมณ์ก็จะบอกา oh, อาจารย์โออาจารย์วันนี้สนุกมากเลยมีอะไรสนุกสนุกเล่า <laughs> คือมันง่วงนะคะง่วงก็เดินง่วงก็เดิ น, ดนสร้างจางังหวะก็ง่วง ก็มาสลับเดินสลับสร้างจังหวะอยู่สองสามชั่วโมงแล้วแล้วความลังเลยใจก็คือเอเอไอท่านอาจารย์บอกว่าให้นั่งพัดเพียบพับซ้ายาพับขวานั่งตรงทําไปให้มันต่อนเนื่องแต่เราก็เป็นคนหัวเขาไม่ดีก็นั่งสร้างกสร้างบนเก้าอี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอ้มันจะเกิดไหมไอ้สภาวธรรมเนี่ยก็สงสัยแต่พอทําทไปทําไปช่วงที่ง่วงที่อะไรนี่ละ่ะคะติดต่อไปพอติดต่อไปปุ๊บเดี๋ยวท่นนั่งสร้างจังหวะอยู่บนเก้าอี้ มันดับบุบลงไปที่หัวนะ่ะดับบุบลงไปแล้วสว่างจ้าดีพึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยอืมออย่างเงี้เเราก็รับรู้นะก็เดินต่อนั่งต่อห่างกันอีกสองชั่วโมงมันเกิดเหมือนเดิมค่ะนั่งอยู่นี่ค่ะดับบุ๊บลงไปตรงนี้แล้วมันก็สว่างจ้าพึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยม่วงเนี่หายมันปิดทิ้งเลยนะคะก็เดินไปเดินไปเดินไปอืมก็มีอะไรแปลกดีเนาะก็สอบอารมณ์ก็ส่งอารมณ์ท่านอาจารย์พวันถัดมานั่งสร้างจังหวะ เอ้ยเราก็รู้นะมันปวดเวทนาแต่ว่าฐานเราแน่นผสมกวนจากที่ทํำยุทหนอพองหนอมันก็ดูจนกระทั่งแบบว่าเวทนามันเกิดอ้ามันปวดมากเข้าไปเราก็ดูมันไม่ยอมเปลี่ยนผ่าจนกระทั่งมันเบามันสบายมันโป่งขึ้นมาเราก็ดูมันก็ค่อยเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะคะก็ทํามาเสร็จแล้วมามีอยู่วันที่จําได้ไม่ลืมคือวันที่13มมีนาตรงนั้นเนี่ยเช้ามืดนะคะนั่งสร้างจังหวะ พานั่งสร้างจังหวะขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นเงาเงเหมือนแบบว่าเรานั่งสร้างจังหวะไปแล้วมันมีอีกตัวหนึ่งรับรู้มันเห็นค่ะมันดูแล้วก็รับรู้มันเห็นชัดมากนั่งสร้างเป็นชั่วโมงนี่ฮะก็เลยเกิดความรู้สึกว่าถ้าเรานั่งสร้างจังหวะอย่างนี้แล้วมันชัดเราเดินยงกลมมันจะชัดเหมือนเดิมไหมก็ลุกขึ้นเดินในห้องนะคะเดินอยู่ประมาณ45นาทีเกือบชั่วโมงหนึ่งมันก็ชัดเหมือนเดิมคือการเดินแล้วความรู้สึกตัวที่เรามีของลูกอะมันชัดมันไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยในชีวิต คือนั่งก็ชัดเดินก็ชัดเสร็จแล้วมันเป็นลักษณะว่ามันคลี่ยิ้มออกจากข้างในนะคะจากในอกเราเเหมือนดอกกุหลาบที่มันอยากให้คลี่ขึ้นมาจําหน้าตัวเองมันยิ้มออกมาได้ยังไงเราไม่ได้ตั้งใจแต่มันแย้มหน้าเนี่ยค่ะมันแย้มออกมาจากข้างในเสร็จแล้วมันก็ก็เบาก็โล่งก็ปร่งอะไรออกมาอย่างเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกที่อมันมันไม่เค้เกิดแต่มันเกิดจําได้แม้กระทั่งวันที่อะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็ ก็ทำไปเรื่อยๆนะคะก็ทํามาก็มีความรู้สึกว่าบอกอาจารย์พงศ์มาดักตอนปักข้าวนี่ยอาจารย์ขาจิตมันยิ้มแล้วคือความรู้สึกเราว่าอย่างนั้นนะเสร็จแล้วก็มีความรู้สึกว่าไปเก็บอารมณ์ทำเนี่ยอาจารย์จะมาสอบอารมณ์หรือไม่สอบอารมณ์แต่ความมั่นใจของตัวเองเนี่ยคิดว่าเรามาถูกทางแล้วเราทําถูกแล้วเรามีที่พึ่งแล้วนี่คือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นตอนนั้นนะคะเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็ทําไปทําไปจนกระทั่งมาถึง กลับไปบ้านอ่ะช่วงนั้นมันก็มีอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเนอะมันยังมีความยึดมั่นความอะไรความแบกอะไรอยู่ตอนนี้เองก็ใช้วิธีเก็บอารมณ์ในบ้านประมาณสักสิวันก็ทําไปทําไปทําไปนะคะเดือนยกลมสร้างจงาังหวะเสร็จแล้วตอนนี้มันมันขึ้นมาในหัวเองอ๋อไอ้ที่ทุกข์อยู่เนี่ยเพราะมันแบกเนอะมันความทุกข์ที่ตัวเองคิดว่ามันทุกขนะ์น่ยมันแบกแบก ความยึดมั่นถือมั่นว่าคนที่อยู่รอบตัวเราคนนั้นคนนี้ทําไมถึงไม่เป็นอย่างที่ที่ใจเราคิดนะคะเรายดึดเราก็เลยทุกเออจริงๆแล้วเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้น่ะคนนี้เขาก็เป็นของเขาอย่างนี้คนนั้นก็เป็นของเขาอย่างนั้นถ้าเราไม่ยดึดซะมันก็ไม่ทุกจากไอความรู้สึกตรงนี้ที่มันผุดขึ้นมาเฉยๆที่ตอนที่เราปฏิบัตินะคะเอ อ, เ อ, อถ้าเทียมให้ดูก็คือการแบกน้าหนักถ้าเราแบกน้าหนักร้อยกิโลพอมันผุดขึ้นมาตรงนั้นน่ะ มันจะเหลือน้ําหนักเพียงแค่30มกิโลที่เราคิดว่ามันยังหนักใจอยู่ตอนนี้พอความรู้สึกตรงนั้นเราก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะคลายไปคลายออกมาจนกระทั่งเดืวนนี้ยมันแค่ถ้าจะว่าก็คือ5ซคือถ้าคิดขึ้นมาหรือเราคิดว่ามีปัญหาตรงไหนปุ๊บมันดีดออกแล้วค่ะมันไม่เอาแล้วมันมันเป็นอะไรของมันโดยอัตโนมัติที่แบบว่าเราก็รู้ว่ามันความคิดมันผุดอย่างเงี้ยแต่มันไม่เข้าไปเกาะเข้าไปยึดเข้าไปปรุงแต่งอะไรต่ออย่างเงี้ยนะคะ มันก็เป็นลักษณะของมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยมีความรู้สึกมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราทำนะคะที่เราปฏิบัติกันเนี้ยมันสามารถที่จะทำให้ทำแล้วเห็นผลแล้วเราสามารถที่จะนำํำไปใช้ในการแก้ปัญหาได้ทุกอย่างและทําให้เราได้รับรู้ว่าทุกอย่างทุกเรื่องมันสามารถที่จะเกิดกับใครก็ได้มันไม่มียกเว้นหรอกคะ่ะเหมือนอย่างไอ้โรคมะเร็งที่เขาว่าหรือเรื่องปัญหาครอบครัวของอะไรทั้งหลายแหละมันไม่มียกเว้นหรอกคะ่ะมันเกิดกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือ เราแค่ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะช่วยให้เร า, เอายอมรับความจริงในสิ่งที่เกิดขึ้นตอนหน้าของเราแล้วเราไม่ทุกข์นี่คือผลของการปฏิบัติธรรมนะคะที่ตัวเองคิดคิดว่าตัวเองได้รับตรงนั้นนะคะทุกอย่างเลยนี่แหละคะ่ะทำใจให้ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงของชีวิตโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปทุกข์กับมันไม่ไปแบกมันเท่านั้นเองคะ่ะนี่ก็คือคิดว่าตัวเองได้ผลสูงสุดในการปฏิบัติธรรมแล้วทีวนี้ในเรื่องของ พอเราปฏิบัติไปมันเหมือนเราขัดเกลาตัวเองกลับมาถึงปัญหา ท, ที่ท่านอาจารย์บอกนะคะพอมันขัดเกลาตัวเองปุ๊บเนี่ยมันมันจะเป็นลักษณะว่าเราเคยทําอะไรที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเราจะจัดเข้าที่เข้าทางเก็บงำไหมที่มันสกปรกอะไรออกมันเรากวาดออกกวาดออกจากใจเรากวาดออกทั้งการกระทําเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะไม่อยู่เฉยๆนะครับมันก็จะมาช่วยเหมือนอย่างปฏิบัติอย่างเนี้ยแล้วก็จะมาช่วยเข้าวัดมาปุ๊บมาช่วยนั่นช่วยนี่ทําอะไรได้เราก็ทําไปโดยที่เราไม่ได้คิด เหนืหนื่อยไหมอ่ะอาจจะไหนบ้างอาก็รู้ก็จบก็ทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบว่าพอเราปฏิบัติไปมันก็จะทําได้ทุกอย่างอะไรที่เราสามารถที่จะทําตัวให้เป็นประโยชน์อยู่บ้านก็ทําตัวให้เป็นประโยชน์กับบ้านอยู่วัดก็ทําตัวให้เป็นประโยชน์กับวัดมีความอเ อ, อื้ออาทรหรือมีความอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนอย่างที่พากันมาอยู่กองอํานวยการก็คือ ความตั้งใจก็คือท่านจันพง์ก็บอกว่าให้เราคือท่านต้องการที่จะทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกท่านที่มาปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆที่ทางวัดจัดให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการตรงนี้นะคะการลงทะเบียน เท่าที่จำได้มีคนมาลงทะเบียนให้ร้อยสิบคนที่เป็นญาติธรรมพระสงสิบเก้ารูปนะะที่ที่มาลงทะเบียนตรงนี้พวกเราก็พยายามที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกให้ท่านนะคะกองขบวาการแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันขาดตกบกพร่องมันก็คงจะมีบ้างเหือนธรรมดาเนาะก็คิดว่าพวก เราชาววัดก็ได้พยายามที่สุดแล้วที่จะให้ท่านมีความสะดวกสบายในการมาปฏิบัติธรรมที่นี่และก็หวังว่าในโอกาสต่อไปวัดธรรมแสงเทียนคงจะมีโอกาสได้ต้อนรับท่านมาปฏิบัติธรรมร่วมกันกับเราต่อไปในโอกาสข้างหน้านะคะสวัสดีค่ะสาธุมีความสะดวก ส, สบาย ส, ส, ส่วนหนึ่งก็โดยการจัดสรนของวิญญูพณีที่เป็นใน่าหลายอย่างนะว่า เราอยอมรับความเป็นจริงตามที่เขาเป็นเส้อเราก็ไม่ทุกแต่ไอการที่เราทุกเพราะเราไม่ยอมรับนะเราเห็นหินก็จะไปจับเอหินจะเห็นไม้ก็จะบไม้แต่ยอมรับควาเป็นหินเนี่ยันหนักก็จะไปจับมันเท่านั้นเองยอมรับเอไม้ อ, อ่ามันหนักอย่างเงี้ยก็จะไปแบกมันยอมรับลูกเขาเป็นอย่างเงี้ยก็จะไปแบกเขาก็ยอมรับเข า, า, า, เขาแต่ว่าหน้าที่ของเรา มีหน้าที่อะไรก็ทำตามนั้นนีมีหน้าที่เป็นแม่ก็สอบเป็นหน้าที่ของแม่แต่เขาจะเชื่อไม่เชื่อไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของเขาอันนี้คือศิล ป, ปะในการใช้สติชีวิตวันโดยไม่ทุกดูเหมือนง่ายนะแต่ทำยากไม่เฉียดอีกท่านหนึ่งที่ เป็นผู้บริการวิ่งเข้า ว, วิ่งออกรับคนเข้ารับคุณออกดูแลพระสงฆ์องระเจ้าแทนเราทุกเรื่องที่เราได้ปฏิบัติโดยที่ไม่ลําบากในเรื่องของอคุณไปคุณมาเนี่ยคุณประดิษฐ์หอนคุณประดิษฐ์ประยุนศรีหรือคุณภูริภาประยุนศีซึ่งให้การบริการทั้งพระสงฆ์ทั้งข้าราชการที่มาปฏิบัติกับเราแล้วเกิ ด, กดาาจิตอาสาจิตเป็นธรรมบริกรส่งพระแม้จะไปต่างจังหวัดครูอาจารยก์ก็ยอมไปทั้งที่พระอาจารย์ก็ไม่ได้ให้ตังค่ารถเลยนะ บางครั้งควบกระเป๋าตัวเองหลายหลา ย, ลายเรื่องอคุณผะดิ์มีความรู้สึกอย่างไรที่มาบริการลักษณะอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นในใจขขงตัวยเขาเชิญคนครับกับนวัสการหลวงพ่อและครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะครับกับผมได้ติดตามหลวงพ่อรู้จักหลวงพอ่อ รู้จักหลวงพ่อตั้งแต่ปี48แล้วครับแล้วก็ติดตามปฏิบัติธรรมกับท่านมาเรื่อยๆท่านก็ให้กำลังใจในทุกเรื่องที่ผมทำนะครับท่านไปให้กำลังใจทุกทกทุกที่ก็ว่าได้นะครับแล้วกอ็อย่างไง ครับไม่ค่อยได้พูดครับ <laughs> <c oughs> แทบเคยตะบริการทุกท่านแล้วแล้วตอนนี้ก็ อ, อย่างไงละะ่ะฮะแล้ ว, ลวเหตุปัจจัยว่าอย่างไนนงะนะครับที่ได้มาบริการาจะเห็นผมตามใ น, ในสถานที่ต่างๆแล้วก็ในการสื่อสารพวกพวกเฟซพวกไลน์ที่เห็นผมวิ่งวิ่งถ่ายเนี่ยคือผมทลงานนะครับ ทำงานเพื่อว่าสื่อไปห า, าการสื่อสารต่างๆเพื่อเราจะได้รับรู้การเคลื่อนไหวของหลวงพ่อว่าไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงทําอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ผมก็ดีใจนะฮะที่ว่าได้ได้มามาเตรียมการที่นี่ตั้งแต่วันที่24แล้วมาเตรียมการช่วยทุกเรื่องทุกอย่างที่ที่ผมจะทําได้ ทางแรงกายแรงใจรังทั้งคุณแม่คุณแม่ทองมาประยุนศรีนะครับที่ท่นอายุแปดิบสองนะครับแล้วก็คุณสุภตาประยุนศรีภรรยาก็คือไปไหนก็จะไปด้วยกันกระเตงกระเตงกันไปด้วยกันนั่นแหละครับก็คือไม่ไม่มีลูกนะฮะเปนข้อดีที่ว่าไม่มีลูกลก็เลยจะไปไหนอะไรยังไงตามสบายภรรยาก็คอเดียวกันไปไหนก็ไปกันอะไรประมาณนี้ครับก็เลยก็เลยสบายใจไม่มีไม่มีทุกข์ไม่มีห่วงจะไปไหนก็ได้ เมื่อก่อนก็ทํารับเหมาก่อสร้างนะครับแล้วพอระยะหลังๆมาเมื่ อ, อประมาณปลายปลายปีเริ่มตั้งแต่หลวงพ่อมาประมาณวันที่หนึ่งกันยาที่ผ่านมาก็ติดตามหลวงพ่อไปนั่นนูน่นนี่ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็แล้วแต่ก็คอยรับใช้หลวงพ่ อ, ห ร, อหรือครูบาอาจารย์ทุกท่านแม้แต่พระ อ, อาจารย์สมพงศ์อาจารย์พระ อ, อาจารย์มงคล อ, อาจารย์สุพรรณก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ ท, ที่ที่รู้จักกันแล้วก็นับถือกันมาก่อนก็ออาจะพยายามติดตาม ท่านทุกๆ ท, กที่ที่ท่านไปหรือแม้แต่พระบวชใหม่ที่ต้องการจะเดินทางไปไหนอะไรยังไงผมก็ยินดีบริการทุกท่านหรือแม้ว่าญาติธรรมที่จะมาที่นี่เพียงแต่ว่าโทรหาผมท่านนัเองว่าท่านอยู่ที่ไหนถ้าเพื่อมาถึงเชยภูมิแล้วอยากมาที่วัดถ้ำแสงเทียนผมก็ยินดีมาส่งให้นะครับแล้วก็จะกลับข้อโทรหาผมผมก็ยินดีๆส่งกลับครับใครจะมาที่วัดถ้ำแสงเทียนนะครับแล้วส่วนส่วนวันนี้ ใครจะกลับจะกลับเนี่ยอตอนบ่ายก็จะมีรถตู้นะครใครจะกลับกรุงเทพแต่ว่าเราต้องไปจองตัว๋วตอนเที่ยงก็บอกผมเดี๋ยวผมไปจัดการให้ใครจะไปอะไรยังไงนะครับแล้วส่วนส่วนใครจะได้ใครจะไ ด, ไดะ้ข้อมูลต่างๆที่บันทึกอยู่ในที่นี้ทั้งหมดตามสายงานนี่ยก็เอาเอาเอ า, เอาแฟดไดมาเดี๋ยวผมจะดําเนินการให้ นะครับถ้าใครอยากได้รูปภาพอะไรต่างๆแต่ส่วนที่ที่ผมเดินเดินวิ่งวิ่งถ่ายถ่ายอยู่นี่ผมก็ลงลงยลลงเฟซลงชมลงคนคนเพียนไปหมดแล้วก็ไปดูเอานะครับบันดานใจที่รับใช้พระศาสนามีอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรืออยากได้บุญเฉยๆ <laughs> ก็แรงบันดาลใจนี่ก็คือเห็นเห็นหนลวงพ่อ ท่านท่านทำโดยไม่รู้จากเหน็ด จ, จกเหนื่อยเพื่อเพื่ อ, อ, อทําให้พุทธศสาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณนี้นะครับคือเห็นท่านทําแล้วเออเราก็ก็น่าจะทําเหมือนท่านได้บ้างอะไรประมาณนี้ครับก็ไม่มีทุกข์ไม่มีห่วงอะไรที่ที่จะให้ให้เราห่วงแล้วก็จะไปก็เห็นท่านเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างเห็นท่านทํางานหนักตลอดอะไรยังไงก็แล้วแต่ที่ท่านทําเนี่ย เราเราเราก็าก็น่าจะทำเหมือนท่านได้อะไรประมาณนี้ครับห <c oughs> ลวงพอ่ออ่ก็ฝาก ก, ก็ก็ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าคือคือเห็นญาติธรรมมาปฏิบัติธรรมแล้วทุกคนมี ม, มีมีความตั้งใจกันผมเห็นแล้วผมก็ก็ยินดีแล้วก็สบายใจที่ที่ ที่ผมทำทาอะไรไปทุกอย่างก่อนนะั้นนี้แล้วไม่สูญเปล่าอะไรประมาณนี้ครับเห็นเห็นเห็นความตั้งใจของของญาติญาติ่ทําทุกท่านแล้วแล้วดีใจมากๆครับแล้วยังไงก็ฝากฝากเอาไปาปฏิบัติที่บ้านหรือว่าเพื่อนฝูงที่รู้จักกันะนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องเอาเอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่บอกว่าไปบ้านแล้วจะต้องเอาคนนั้นคนนี้มา มันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้แต่ตัวเองยังได้แค่นี้เลยเอาตัวเองให้มันรอดก่อนพอได้ตัวเองรอดแล้วเออเราค่อยไปเผยแพร่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครั บ, บมูธนาคือคุณประดิษฐ์นะเบื้องหลังที่เราไปพักตัวนั้นที่พักนั้นนะคุณประดิษฐ์เป็นผู้รับเหมานะแล้วก็ทํำจนเสร็จอ่าก็เรียกว่าเอากําไรบุญนะ่ะคือทําไปรายได้กําไรไม่คิดถึงทําให้เสร็จก็แล้วกัน ที่ตื่หลังนั้นนะสองนี้เป็นผูลักเหมาแล้วก็ทําอิดทาอะไระหลายอย่างนะเพราะนั้นก็เลยบุญตรงนั้นนะคงจะเป็นอ น, นิสงฆ์ให้ได้เข้ามาตรงนี้ได้ยาวนานตลอดมาก็แปลกใจว้าคุณบุริศก็ไม่ใช่คนรวยอะไรนะแต่ทําไมบริการถ้แต่คนเข้ารวยคนนี้มหาศาลเลยเขายังทําไม่ได้บางครั้งไม่มีค่าน้ํามันต้องขอหลวงพ่อนะหลวงพ่อจจ่ายค่าน้ํามันองานนี้ผมไม่มีค่าน้ํามันนะหลวงพ่อก็เลยจ่ายในหะ้ อ, อีกท่านหนึ่งที่เรื่องจัดการเรื่องเสือ้อเรื่องหนังสือเรื่องอะไรต่าง Facebook อ e ีเมลคุณพักมนนะจากกรุงเทพหรคุณฤทซึ่งจะได้ชี้แจงและกาแนะนําว่าการาบริการเรื่องหนังสือเรื่องเสื้อเนี่ยเพื่ออะไรนะทั้งๆที่วา่าก็เป็นอาจารย์สอนอยู่แล้วก็ดูแลภาระ ท, ทางด้านครอบครัว สามีก็ทำหน้าที่ถึงเป็นอ ะ, อะไรมายังไม่ชัดเดียวัน ja, นี้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นพี่ผู้พิพากษาหรือเป็นในกระทรวงยุติธรรมตำแหน่งไหนที่ท่านจะแนะนำเองขอเชิญคุณพระคมล น้อกราบน้ำมัส ก, การหลวงพ่อซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ พ, พระภิกษุทุกรูปทุกนามทุกคะธรรมสวัสดียติธรรมทุกท่านเจ้าคะ่ะชื่อพักกมล น, นะคะก็หลวงพ่อแนะนำไปหมดแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรละโอเคอ่า สาเหตุตมมนน ท, ะะต ท, 29, ท 54, ตตี่ก่อตั้งชมรมคนเพียรเนี่ยก็เพราะว่าหลวงพ่อท่านดำริขึ้นมานะคะในได้ก่อตั้งเมื่อวันที่29มิถุนายน 2,554 ก็ได้3ปีแล้วตอนก่อตั้งเนี่ยก็ก่อตั้งชมรมคนเพียรนี้อยู่ใน f a c e b o o นะคะตอนนั้นยังยังไม่ค่อยมีกลุ่มมากมากเท่าไหร่แต่ด้วยปัญญาของหลวงพ่อนะมองเห็นกัรไกลว่าต่อไปเนี่ยอันนี้คิดกันเองน ะ, ะว่า ชมรมนี้ชมรมคนเพียร น, นะคะคงจะได้ทำประโยชน์ได้สร้างประโยชน์ให้กับในกลุ่มสายงานของรวงพ่อเทียนนะคะก็ก็ก็คาดไม่ถึงว่าปัจจุบันนี้จะมีสมาชิกชมรมถึงสี่พันกว่าคนนะะแล้วก็ก็เพิ่มเข้ามาทุกวันทุกวันแล้วชมรมนี้ ก็ไม่ก็คิดไม่ถึงเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ได้สร้างประโยชน์ให้กับในในสายงานหลวงพ่อเทียนแล้วก็ในกิจของหลวงพ่อนะค ะ, ะในประโยชน์อันแรกเนี่ยที่ได้ทำเนี่ยก็คือเมื่อ ง, งาน101งนปีชาติการหลวงพ่อเทียนที่จัดขึ้นที่วัดทมิงขวัญจังหวัดเลยน ะ, ะทางกลุ่มผู้จัดทำเนี่ยเขาเขาไม่มี เขาไม่มีเงินที่จะผลิตหนังสือธรรมะของหลวงพ่อเทียนนะครับเพื่อแจกในงานที่ระลึก101ปีเมื่อ3ปีที่แล้วก็ทำยังไงก็มาปรึกษาชมรมทมเพียนว่าจะทำยังไงดีไม่มีเงินสั ก, กบาทเดียวที่จะจัดพิมพ์หนังสือซึ่งเป็นหมื่นหมื่นบาทก็เลยอาศัยชมรมนะฮะก็บอกบุญสมาชิกในชมรมทมเพียนเท่านั้นว่าจะขอ ขอแรงแรงแรงปัจจัยแรงบุญนะในการผลิตหนังสือก็ปรากฏว่าได้มีสมาชิกแล้วก็ผู้ใจบุญทั้งหลายเนี่ยได้ร่วมเสียสละปัจจัยสมทุกขุนจัดพิมพ์หนังสือขึ้นมาได้เยอะมากได้เจ็ด0มื่นกว่าบาทก็ค่าหนังสือทั้งหมดก็มาจากชุมลุมทั้งนั้นเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ บอกบุญอะไรก็สมาชิกชมรมก็ช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีนะก็เลยคิดว่าก็ได้จัดทำเสื้อขึ้นมาเสื้อเนี่ยมีรุ่นแรกรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่2รุ่นที่สมรุ่นที่4ี่รุ่นที่ห้าจนณปัจจุบันนี้คือรุ่นที่ห้าถ้าจาไม่ผิดนะฮะก็เสื้อนี้ก็ช่วยเงินที่ได้จากการขายเสื้อเนี่ยอันดับแรกก็คือมาช่วยใน ครั้งแรกเนี่ยมาช่วยในการกิจในในงานในวัดพระทาตุแสงเทียนท่านซื้อเครื่องสูบน้ําอันดับแรกอันดับที่สองก็คือมาช่วยในงานกระถิน่นช่วยในงานผลิตหนังสือธรรมะของหลวงพ่อที่พิมพ์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่เป็นหนังสือที่ระลึกในงานกรถินเมื่อปีที่แล้ว ชื่อหนังสือว่าสติมาปัญญาเกิด น, นะถ้าใครไม่มีก็ขอได้นะคะเพราะว่ายังยังเหลืออยู่อีกจำนวนหนึ่งแล้วก็มาในปีนี้ก็เป็นหนังสือชื่อการตื่นรู้สู่เบิกบานนะก็เป็นงานเป็นหนังสือที่จะได้รับในในวันนี้นะคะอ่เป็นหนังสือที่ระลึกงานกรถินของปีนี้นะคะก็ก็มีเท่านี้เจ้าค่ะ เือไอ้ปัจจัยเงินทุนที่รวบรวมได้นี้เราจะาจะัดสรรอย่างไรบ้างครในในในครั้งนี้ใช่ไหมเจ้าค่ ะ, ค, ะครั้งนี้ปัจจัยที่ได้จากการจําหน่ายเสื้อเนี่ยก็อันแรกก็คือจะหักทุนทุนขึ้นมานะเจ้าค่ะก็คือที่ได้กราบเรียนหลวงพ่อไปแล้วก็คือเป็นจํานวนเงินหนึ่งมื่นสองพันบาทเพื่อจะเป็นทุนสนับสนุน ในงานในการจับทำเสื้อครั้งต่อไปส่วนปัจจัยที่ได้จากการจำหน่ายกาไรทั้งหมดก็ยกให้หลวงพ่อท่านเป็นผู้พิจารณานะเจ้าค่ะว่าจะนำเงินจำนวนนี้จำนวนบุญนี้ไปใช้จ่ายในด้านไหนเจ้าค่ะบุธนาก็ตอนนี้ได้เวลาเจ็ดโมงคดีตามที่เรากำหนดหลังจากที่ทำพิธีตรงนี้ ได้เชิญแม่อมริกับลูกหลานแม่อว้วได้มากล่าวในภายหลังตอนนี้เราถึงวิทยาที่จะประกอบพิธีในการทำทักสินานุปทานให้กับแม่อว้วเพราะแม่อว้วนี้เป็นอย่า ง, างที่กล่าวแล้วว่าเป็นโยมผู้หญิงอีกคนหนึ่งในเมืองไทยที่ทำหน้าที่ในการช่วยในการเผยแพร่จนสามารถทาสานักของตนเองขึ้นมาได้ คนแรกก็คือโยมพิกุลนะที่ทําทางภาคเหนือปัจจุบันนี้โยมพิกุลก็ทําหน้าที่ช่วยธรรมาได้เยอะเลยที่แพร่แสงเทียนมาก็ได้ไปทํางานกว้างขวางขึ้นอย่าทางภาคอีสานเองทางฝ่ายผู้หญิงก็มีแม่อ้วนะก็ซึ่งเป็นผู้หญิงธรรมดาแต่ว่าสามารถสื่อธรรมะด้วยความจริงใจซึจ่งภาษาถูกบ้างผิดบ้างแต่มีความจริงใจสูงมากก็เลยได้สนับสนุนในช่วงที่ไดเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ย ไม่สามารถที่จะไปสื่อความหมายกับคนอื่นให้เข้าใจได้เกิดเอาหลานของตัเองสามสี่คนเอามาสอนตั้งแต่เล็กๆนะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยก็หลานก็ปรากฏว่าเข้าเรียนในสถานที่ที่มีอนาคตไกลๆทั้งนั้นมาก็เลยว่ารวบรวมปัจจัยในครั้งนี้ตั้งเป็นกองทุนการศึกษาถ้าไม่ว่ากแคอยู่เนี่ยหลานเหล่านี้ก็คงจะไม่ลําบากในการที่จะวัตถุ ป, ปัจจัยบริจาคจากผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมแต่เมื่อ ไม่ว่าขาดไปเนี่ยพวกหลานๆเขาจะเรียนจบหรือไม่ยังไม่แน่นอนออมาก็เลยตั้งกองทุนนี้ขึ้นมากองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาเป็นทุนการศึกษากับลูกหลานในฐานะที่ทำคุณกับพระศาสน า, าสำหรับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมตรงนี้หรือพระก็ดีถ้าหากว่ า, ามลภาพลงหรือตายไปเนี่ยเราก็ตอบแทนบุญคุณด้วยการาในส่วนที่เราจะทาไดเา้เช่นทางฝ่ายพระก็ตั้งเป็น อกองทุนตรง น, นี้กองทุนชาปนกิจอของพระอาจารย์ดวงศิลตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะสงเครอบดูแลนักปฏิบัติธรรมด้วยกันก็มีผู้สมทบบริจาคเข้ากองทุนนี้ก็หลายแสนบาทแล้วตรง น, นี้นะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นใครเป็นสมาชิกก็จ ะ, ะประกาศไปซึ่งในช่วงท้ายจะให้อาจารย์สมพงษ์ได้กล่าวเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเป็นกรรมการอยู่นะมาเข้าไปที่ปรึกษาในส่วนของ ญาติโยมที่ทำเป็นผู้นําปฏิบัติชี้นําในการปฏิบัติมีอีกหลายท่านที่ทําหน้าที่นี้อยู่อย่างเห็นแววนี่น่าจะเป็นโยมพันธ์เนียนวการต่อไปนะได้เรีวมีความตั้งใจสูงที่อเมริกาหลายรัฐที่มามีคนทํานําบุญแทนหมายความรัฐต่างๆที่ประมาณสักสิเกือบ10รัฐเนี่ยก็มีคนทําหน้าที่แทนคือหมายความว่าถ้ามาไม่อยู่เขาจัดอารม์กันเองเขาก็สอบอารมณ์กันเองแล้วก็จัดคอร์ดกันเอง นะล่าสุดก็ที่ฟลอริดานะก็ที่แมมมีที่ข้ามไปนี่ก็ไปจัดที่นั่นเลยซึ่งแต่ละรัฐก็จะมีโยมผู้หญิงเป็นส่วนใหญ่จะมีโยมผู้ชายอยู่คนเดียวที่ช่วยอยู่ก็คือที่มิสซูรีนะเซนลุย่คุณหมอคงศักดันภัยจิตนอกนั้นเป็นผู้หญิงก็หมด่ผู้นําบุญนะผู้นําแนะนําปฏิบัติอืมนั้นเองก็อันนี้ก็เราได้ตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อสงเคราะห์เมื่อ ตายไปลูกหลานลำบากอะไรแต่ก็ต้อ ง, ต, องต้องกองทุนในการศึกษาเพราะนั้นเหลืองานนี้ประมาณหักต้นทุนออกแล้วเนี่ยก็ประมาณมืนสองหมืนบาทามาก็จะมอบให้กับฝ่ายลูกหลานไม่ว่าเองนะซึ่งก็คงไม่ไม่เพียงแค่นั้นนะถ้ามีส่วนไหนที่จะนี้ได้มาก็ส่งเคราะห์ไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะให้กำลังใจว่าคนที่จะเข้ามาปฏิบัติทางสายนี่นะมันยาก เมื่อเข้ามาแล้วก็แสดงว่าเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันใครเป็นอะไรไปแล้วก็ดูแลกันตามสถานภาพตามที่เราจะทำได้นะ